ถ้าต่อไ ป, อไปพูดถึงในเรื่องของพรหมวิหารต่อนในเรื่องของพรหมวิหารเมื่อครั้งที่แล้วพูดถึงในเรื่องของมุทิตาจบไปแล้วต่อไปก็พูดถึงในเรื่องของอุเบคาซึ่งเป็นธรรมะซึ่ค่อนข้างจะเจริญค่อนข้างยากนิดหนึ่งเพราะว่าบุคคลที่จะสามารถเจริญอุเบคาได้นั้นนะ ก็จะต้องสามารถมีความเข้าใจในเรื่องของเมตตาความราักความปรารถนาดีชัดด้วยแล้วก็เข้าใจในกรุณาความสงสารคิดจะช่วยคนอื่นพ้นจากความทุกข์ต้องการปลดเปลื้องความทุกข์ของบุคคลอื่นได้ชัดด้วยแล้วก็มีความเข้าใจมูทิตาความพอเยินดีในเมื่อผู้อื่นอยู่ดีมีสุขมีจิตใจที่ผ่องใสบันเทิงประกอบด้วยความเช่มชื่นเบิกบานอยู่เสมอในะได้ชัดด้วย เพราะว่าอะไรเพราะว่าคนที่จะเจริญอุเบกขานั้นก็หมายความว่าละภาวะที่จิตนั้นน่ะไม่น้อมจิตเป็นไปในเมตตากรุณาและมุทิตาเหตุผลว่าเพราะเมตตากรุณาและมุทิตานั้นเน่เป็นธรรมะอยู่ในขั้นของความรู้สึกแต่อุเบกขาเนี่ยเป็นธรรมะที่พัฒนาไปอยู่ในขั้นของปัญญาซึ่งมีความต่างกันคือเมตตากรุณามุทิตาเนี่ยในด้านของจิตใจ ในด้านความรู้สึกล้วนๆเช่นมีความปรารถนาดีเนี่ยหรือมีความมีจิตคิดจะช่วยเหลือเนี่ยหรือมีจิตคิดส่งเสริมสนับสนุนเ น, นี่ยอันด้านโลวความรู้สึกฐะนในด้านความรู้สึกเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่าไม่ค่อยแข็งแรงทางด้านของปัญญาแต่ถ้าอุเบกขาเนี่ยเป็นความวางใจเป็นกลางในอันที่จะดารงอยู่ในธรรมะตามที่พิจารณาเห็นด้วยปัญญาเห็นไม มีต้องการรักษาธรรมะรักษาความถูกต้องดีงามรักษากฎเกณฑ์กติกาไม่เอียงคือมีจิตใจเรียบตรงเที่ยงตรงดุดตาช่างเลยไม่เลือกที่รักไม่ผักที่ชังไม่เอ็นเอียงด้วยรักและชังคือพิจารณาเห็นกรรมที่สัตว์ทั้งหลายกระทาแล้วอันควรได้รับผลดีหรือชั่วสมควรแก่เหตุอันตนเองประกอบฉะนั้นบุคคลที่เจริญอุเบกขาเนี่ย จึงพร้อมที่จะวินิจฉัยและปฏิบัติไปตามธรรมะอันนี้แปลว่าปัญญาเข้ามาเด่นเข้ามาทำหน้าที่รวมทั้งรู้จักวางเฉยในการสงบใจมองดูในเมื่อไม่มีกิจที่ควรทำก็สามารถสงบจิตใจได้วางใจได้ไม่ทำจิตให้พวกพ่านเพราะอะไรเพราะเขารับผิดชอบตนได้ดีแล้วในขณะที่เราเห็นบุคคลทั้งหลายหรือสัตว์ทั้งหลาย เขากำลังรับผิดชอบตนเขาเองได้ดีแล้วเราก็สงบนิ่งวางใจเป็นกลางแล้วก็วางเฉยสงบนิ่งดูอยู่เขาสมควรจะรับผิดชอบตนเองได้แล้วอย่างไรก็วางใจเป็นหรือเขาได้รับผลอันสมควรแก่การรับผิดชอบเป็นต้นเหล่านี้มิให้เสียธรรมะไม่ให้เสียหลักการไม่ไม่ให้ไม่เสียกฎเกณฑ์ใดๆอย่างนี้เป็นต้นนี่ลักษณะของเบขาเป็นอย่างนี้และให้สังเกตดูก็คือว่า อุเบกขาเนี่ยใช้ในสถานการณ์ไหนอุเบกขาเนี่ยใช้ในสถานการณ์ที่จะรักษาธรรมะตามความรับผิดชอบต่อกรรมที่เขาทำนี่ต้องการรักษาสถานการณ์ต้องการรักษาธรรมะนี่แหละให้สังเกตดูนะว่าลักษณะของอเวกขาเนี่ยจะเป็นไปโดยการเป็นกลางต่อสัตว์ทั้งหลา ย, ยาวางใจเป็นกลางทั้งหมดเลยเสมอทั้งหมดหน้าที่ หรือกิจที่เมตตาเวลาเกิดขึ้นมาแล้วก็ทํากิจเขาจะมองเห็นความเสมอภาคกันในสัตว์ทั้งหลายทุกท่วนหน้าไม่แยกแยะคําว่าไม่แยกแยะในที่นั้นก็คือไม่เลือกที่รักผักที่ชังนี่แหละเสมอต้นเสมอปลายพ้ปรากฏก็คือระ ง, งับอะไรได้ระ ง, งับความขัดเคืองเสียใจและความคล้อยตามยินดีเสียได้เลยผลปรากฏจะเป็นแบบนี้อายกตัวอย่างเช่นว่าในวาลาที่จะเจริญเวขาต่อพ่อและแม่ ถ้าพ่อแม่ประสบความทุกข์ที่ไม่สามารถจะแก้ไขได้ก็ไม่ทําความขัดเคืงให้เกิดขึ้นก็วางใจเรียบสม่ําเสมอพิจารณาว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นทรัพย์สมบัติของตนมีกรรมเป็นกําเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยสัตว์ทํากรรมใดไว้ดีหรือชั่วจะต้องรับผลของกรรมนั้นนี่ชัดไหมเนี่ยก็เรียกว่าหรือในขณะเดียวกันถ้าคนที่เขากําลังฝึกฝนพัฒนาตนเอง เช่นว่าพ่อแม่เคยหกล้มแล้วต่อมาเริ่มรักษาดีขึ้นต่อมาท่านขดขวายในการที่จะฝึกเดินเออเนี่ยเราก็วางใจเป็นกลางว่าเขากําลังขดขวายในการที่จะฝึกฝนพัฒนาตนเองก็ไม่ทําจิตใจตนเองนั้นให้แฟรให้ปูให้แปบในขณะที่ไปมองดูหรือเห็นการกระทําของพ่อแม่อย่างนี้เป็นต้ น, นปล่อยให้พ่อแม่ได้มีโอกาสฝึกฝนพัฒนาตนเองให้เต็มที่เต็มความสามารถเนี่ย ลักษณะนี้คือระงับความขับเคลื่อนเสียใจและความคล้อยตามดีใจประทัดฐานคือมองเห็นภาวะที่ทุกคนเป็นเจ้าของกรรมของตนว่าสัตว์ทั้งหลายจะได้รับสุขจะพ้นทุกข์ไม่เสื่อมจากสมบัติที่ได้ที่ถึงตามใจชอบใจได้อย่างไรนีเมื่อกรรมที่สัตว์ทั้งหลายทําไว้เนี่ยเป็นทรัพย์สมบัติของตนเองอย่างนี้เป็นต้นเอาละพอเข้าใจหลักการคร่าวๆในด้านของอุบเบกขาที่ต่อไปก็วิธีการเจริญ การเจริญพรหมวิหารข้อนี้มีข้อที่แปลกจากพรหมวิหารสามข้อข้างต้นก็คือผู้ปฏิบัติธรรมะเนี่ยควรทราบก็คือว่าพรหมวิหารสข้อข้างต้นคือเมตตากรุณามุ้ทิตาเนี่ยบุคคลใดก็ตามเมื่อมีความประสงค์จะเจริญภาวนาแล้วก็ลงมือปฏิบัติได้กันทุกคนและโดยทันทีทีเดียวเลยส่วนอุเบขาพรหมวิหารเนี่ยผู้ที่จะลงมือปฏิบัติมีขอบเขตจำกัดไว้เป็น ธรรมนิยามหรือธรรมนิยมเฉพาะแต่ผู้ที่เป็นชานราพีบุคคลนะอันนี้หมายถึงบุคคลที่ต้องการฝึกระดับสูงคนที่จะเจริญเมตตาอุเบกขาพรหมวิหารเนี่ยแปลว่าคนคนนั้นจะต้องได้เมตตาพรหมวิหารจนถึงตัิยิฌานแล้วท่านในจตุกนัยนี่นะหรือกรุณาพรหมวิหารมุทิตาพรหมวิหารเนี่ยเจริญมาจนถึงได้ฌานที่สในในในบิ ด, บดาฌานสี่หรือ ได้ชานที่4ในปัญจมณายคือชาน5 <c oughs> นี่จะต้องอย่างนี้จนได้บรร ล, ลุถึงตติยชานหรือจตุทชานน่ตามจตุ ก, กนาย ห, หรือปัญจนณไนแล้วแต่นั้นจึงจะสามารถลงมือจเจริญอุเบกขาพรหมวิหารนี้ได้ท่านกล่าวไว้ในคำพิสิทธิมรรคบอกผู้ที่ปฏิบัติผู้ที่ปราศจากชานที่สได้บรรดาพรหมวิหารสามีเมตตากรุณามุทิตาเนี่ยไม่สามารถ บำเพ็ญพรหมวิหารข้อที่4ได้เพราะเวิกขาเนี่ยเป็นผลสําเร็จมาแต่พรหมวิหารสข้างต้นโดยเฉพาะแล้วเบิกขานี้เข้าประกอบได้แต่ในจตุทชาญในจตุกนัยนะและปัญจมชานในปัญจมนายเท่านั้นไม่ได้ประกอบในฌานสามข้างต้นเลยในปทมฌานทุเตชาญตเยชาญเนี่ยไม่มีรูเบิกขาในนั้น เพราะฌานเหล่านั้นมีสภาพที่เป็นสมนัสเวทนาแต่อุเบกขาเนี่ย ม, มีอาหารมีสภาพเป็นอุเบกขาเวทนาเวทนาสองเวทนานี่เข้ากันได้ไหมประกอบกันได้ไหมสอลคดกันไม่ได้ประกอบกันไม่ได้นี่นะทีนี้ในการปฏิบัติในอันดับแรกผู้ที่ปฏิบัติเนี่ยได้ฌานมีความประสงค์จะเจรเิญอุเบกขาพึ่งปฏิบัติตามขั้นตอนที่กล่าวไว้ในวิสุทธิมรรคว่า อันนี้ว่าโดยหลักการใหญ่แต่ถ้าว่าโดยหลักการโดยทั่วๆไปนะอีกอย่างนะเช่นบุคคลที่จะเจริญในชีวิตประจาวันเนี่ยสามารถที่จะเจริญได้พอสมควรไม่สามารถได้แต่จะสามารถมั่นคงแข็งแรงหรือไม่นั่นก็อยู่ที่ปัญญาของแต่ละบุคคลอันนี้หมายถึงบุคคลที่ยังไม่มีฌานสมาบัติเป็นฐานในการเจริญนะสามารถเจริญได้นะไม่ใช่ไม่ได้ในชีวิตจริงๆเนี่ย แต่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเมตตากรุณาและมุทิตาอย่างท่องแท้และเข้าใจอย่างลึกซึ้งสามารถทำให้มีทำให้เกิดได้จริงๆแล้วก็จะสามารถเจริญอุเบกขาพรหมวิหารในชีวิตประจาวันได้บ้างไม่ใช่ไม่ได้แต่ถ้าจะเจริญให้เป็นกิจจาักษณะที่พัฒนาถึงฌานสมาบัตต้องให้ได้เมตตาฌานกรุณาฌานและมุทิตาฌานจนถึงตติยฌานหรือจอตุทะฌานดังกล่าวผู้ที่ประสงค์ จะเจริญอุเบกขาพระมิหารต้องเข้าสู่ตาิยฌานที่ตนได้ทําให้ชนานํานาญคล่องแคล่วให้เป็นวสีชํานาญในการเข้าชํานาญในการออกชํานาญในการตั้งอยู่ชํานาญในการพิจารณาองคฌานทั้งหลายเหล่านี้ต้องคล่องแคล่วอย่างดีแล้วเท่านั้นเนี่ยทั้งเมตตากรุณาเมตตาขั้นแล้วก็พิจารณาเห็นอนิสง์ของอุเบกขาพรมิหารเป็นต้นว่ามีสภาพที่ละเอียดสุขผลประณีตกว่าเมตตากรุณาและเมตตา เป็นสภาพที่สงบกว่าประณีดกว่าสุขุมลุ่มลึกกว่าและต้องใช้ปัญญามากกว่าแปลว่าจะต้องใช้สัทธรมที่ละเอียดกว่าใช้ความเพียรที่มีความเข้มข้นกว่าละเอียดอ่อนกว่าใช้สติที่แข็งแรงกว่าใช้สมาธิที่มีความแนบแน่นกว่าใช้ปัญญาที่มีความสุขุมลุ่มลึกกว่าเนี่ยเป็นพิจารณาความละเอียดลึกซึ้งของอินทรีย์พระโพชงพวกนี้แหละก็จะสามารถเป็นปัจจัยเกื้อหนุน ทำให้ฉันทะคือความใฝ่ใจคือความรักอย่างแรงกล้าที่เป็นไปกับกุศลเนี่ยรักในการที่จะฝึกฝนพัฒนาตัวเองเพื่อเข้าไปสู่อุเวขาพรหมวิหารให้ได้เข้าใจยังนี่เเรียกพิจารณาถึงภาวะอานิสงส์ความละเอียดความสุ ข, ขุมลุ่มลึกสภาพที่มีความเบาสภาพจิตที่มีความเป็นหนึ่งเดียวด้วยเบาด้วยสงบด้วยประนีตด้วย พราะเป็นสภาพของอุเบกขาที่บวกกับเอกคตานีคือความวางเฉยไม่พอก็มีความตั้งมั่นแห่งจิตด้วยเมื่อผู้ปฏิบัติบำเพ็ญไปจนชำนาญย่อมเบื่อหน่ายต่ออะไรเบื่อหน่ายต่อเมตตาเบื่อหน่ายกับกรุณาและเบื่อหน่ายต่อมุทิตาเห็นว่าเมตตายังเป็นหยาบยังหยาบอยู่กรุณาก็หยาบอยู่มุทิตาก็หยาบอยู่ใช่ไหมเมตตายังต้องมีสัตร์อันเป็นที่รักเนี่ยเป็นอารมณ์อยู่ กรุนายังมีสัตว์ที่มีความทุกข์เป็นอารมณ์อยู่มุทิตายังมีสัตว์ที่ประสบความสุขเป็นอารมณ์อยู่สนอุเบกขาเนี่ยมีมัชช ต, ตะเนี่ยสัตว์ว่บัญญัติคือความวางเฉยในสัตว์จึงมีความละเอียดอ่อนสุขผมล่มลึกมากกว่าเข้าใจยังเนี่ยเป็นอย่างนี้เพราะเมตตากรุณามุทิตาเนี่ยยังเกี่ยวข้องกับสัตว์ต่างๆอยู่และมีสภาพเป็นสมนัสเวทนาจึงเป็นสภาพที่ไม่ละเอียดจริง แต่ถ้าพัฒนาไปถึงอุเบกขาได้เนี่ยอุเบกขาเป็นสภาพที่สุ ข, ขุมประนีตและก็เป็นความสุขที่สงบระงับละเอียดอย่างยิ่งเพราะเป็นไปก็อุเบกขาเวทนาพอคิดอย่างนี้เข้าใจอย่างนี้เห็นความต่างกันอย่างนี้จิตใจเกิดความอาถรรพ์เกิดความมั่นคงเกิดความมุ่งมั่นในอันที่จะทำอุเบกขาพรวิหารให้เกิดจริงๆคือต้องการจะพัฒนาให้สูงขึ้นประณีตขึ้นดีขึ้นนั่นแหละ ผู้ปฏิบัตินั้นน่ะก็ทราบถึงโทษของเมตตากรุณาเมตตาข้างต้นแล้วแล้วก็ชัดเจนในอานิสงส์ของอุเบกขาพรหมวิหารแล้วลําดับต่อไปก็จเจริญอุเบกขาต่อไปนะีก็คือลําดับที่1การจเจริญอุเบกขาไปในตนเองนี่ก็ลำดับแรกลําดับที่2การจเจริญอุเบกขาในบุคคลผู้เป็นกลางๆลางําดับที่สาม การเจริญอุเบกขาในบุคคลผู้ไม่ผู้เป็นที่รักและที่รักยิ่งลำดับที่สี่ก็เจริญอุเบกขาไปในบุคคลผู้เป็นศัตรูมองเห็นไนหะ <c oughs> ทีนี้ในลำดับการเจริญอุเวกขาไปในตนเองเนี่ยบุคคลเนี่ยเจริญเวกขาหรือผู้ที่จะเจริญเวกขาเนี่ยผู้ปฏิบัติเจริญไปตาม ไปในตนเป็นอันดับแรกก่อนซ้ำแล้วซ้ำเล่านี่นะจนกว่าจิตที่ประกอบไปด้วยเบขาโดวยวิธีการที่มองในแง่ที่ตนเองเป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนว่าเราเกิดมาในโลกนี้เราก็มาด้วยอำนาจของกรรมที่เราได้ทำไว้เองเมื่อเราจะจากโลกนี้ไปเล่าเราก็จะต้องไปตามอำนาจของกรรมที่เราได้ทำไว้คนอื่นเป็นต้นก็เป็นไปนในตัวนองเดียวกัน ทรัพย์ทั้งหลายมีทรัพย์มีกรรมเป็นทรัพย์สมบัติของตนเองใช่ไหมคื อ, อถ้ามองอย่างนี้ก็จะเริ่มเห็นแล้วโอเ้เงินทองรัตนาชาติแก้วแหวนเงินทองทั้งหลายที่เราว่าเป็นทรัพย์สมบัติของตนนั้นน่ยมันเป็นทรัพย์ชั่วคราวเท่านั้นเองมันจะเป็นทรัพย์ถาวร อ, อะไรเลยแต่สุจริตกรรมและทุตจริตกรรมเนี่ยเป็นทรัพย์ที่ถาวรของสัตว์ทั้งหลายที่โหนเวียนวายตายเกิดในสังสารวัฏเอาพิจารณางี้ก็เห็นแล้ว เราสุจริตกรรมก็ตามส่งเสริมกระแสชีวิตทุกอัตภาพที่เกิดทุจริตกรรมก็ตามเบียดเบียนกระแสชีวิตทุกอัตภาพที่เกิดมองออกไหมฉะนั้นสัตว์เองจะได้ประสบความสุขและความทุกข์หรือสุจริตกรรมหรือทุจริตกรรม่ า, รากรรมทั้งหลายที่สัตว์นั้นทำไว้ต่างหากนี่ก็เลยพิจารณาอย่างนี้ก็เห็นชัดเจนแล้ว นี่แหละแรกมีกรรมเป็นทรัพย์สมบัติของตนเองเอาอ้างเฉยได้เลยตอนนี้เห็นสมณะเห็นพระที่กําลังประสบสุขและทุกข์อย่างนี้ก็เป็นเพราะอะไรเพราะกรรมที่คุณทํากันไว้เนี่ยทั้งกุศลกรรมและอกุศลกรรมใช่ไหมอกุศลกรรมที่ทําก็ตามเบียดเบียนนี่เนี่ยตอนนี้เบียดเบียนอย่านี้อายกตัวอย่างเช่น ก็ตอนเช้าตอนทํากรรมคือการกินอาหารเนี่ยไม่เคี่ยวให้ละเอียดกินมุมมามสมมติกินไม่พิจารณากินมุมมามกินไม่รู้ว่าอะไรเป็นคุณเป็นโทษอย่างไรอะไรจะย่อยง่ายย่อยยากยังไงเนี่ยก็ไปกินอาหารย่อยยากก็ไปกินอาหารไม่เคี่ยวให้ละเอียดแล้วหนักข้าวมานั่งตัวนี้ได้กรรมที่ทําเนี่ยก็เป็นเหตุทําให้ตัวเองเนี่ยมึนคิดอะไรไม่ค่อยออกแล้วก็ซึมเซ็งใช่ไหม อันนี้ใครทำให้คุณเออเนี่ยกรรมที่เราทำนั่นแหละก็ให้ผลแล้วในขณะ น, นี้อย่างเงี้ยเออพิจารณาอย่างนี้ก็เราจะไปเครียดแทนเทากาได้ได้ไหมไปเครียดก็ไม่ได้นี่อกักขระลกรรมกำลังให้ผลของคุณอยู่คุณก็ต้องรับผลการกระทาไปใช่ไหมล่ะก็วางเฉยในสัตว์ทั้งหลายกรรมที่ทาไว้เมื่อคืนนี้ <c oughs> ก็ทาไมไม่มนสิการ จเจริญเมตตาให้ตนเองทำจิตใจใผ่อนคลายแล้วไปคิดที่เป็นอกุศลกรรมไปฟุ้งซ่านไปวิตกกังวลกรรมที่ทำไว้เมื่อคืนนี้ก็ให้ผลทำให้จิตใจเมื่อยล้าสภาพร่างกายอ่อนแอเกิดการง่วงเหงาหงานอนเนี่ยเกิดความฟุ้งซ่านในปัจจุบันนี้อันนี้กรรมนี้ใครเป็นผู้ทำ ก็คุณท่านคนทำกันเองใช่ไหมล่ะอ๋อสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นทรัพย์สมบัติของตนเองเข้าใจแล้วมองเห็นชัดไหมถ้าไม่ชัดก็ไปทำกรรมอย่างนี้ต่อ <c oughs> ใช่ไหมแล้วมันก็ให้ผลอย่างนี้แหละแล้วก็สืบต่อต่ อ, ตอเนื่องกันอย่างนี้แล้วก็เดินออกจากอักิและกรรมไม่ได้ก็ซ้าตนตเองไปเรื่อยๆแล้วเมื่อไหร่ใช่ไหมมันก็จะเห็นนี่แหละ กรรมนี้เมื่อทําไปอย่างติดต่อต่อเนื่องและทําจนเป็นความเคยชินทําอกุศลกรรมจนเป็นสัญชาติตยานทําเป็นบุคลิกภาพออกมาเลยก็ออกไปอย่างนี้นักเข้านักเข้าก็เลยจมอยู่กับอกุศลกรรมและอกุศลกรรมก็ตามไม่ผลอยู่ตลอดเวลานี่จะเปลี่ยนวิธีคิดเข้าใจกระบวนการความเป็นไปของกรรมและผลของกรรมชัดก็เริ่มตั้งแต่ปัจจุบันกรรมใหม่ใช่ไหมฮพอเริ่มปัจจุบันกรรมใหม่แต่นี้ก็มีเจตนาที่เป็นกุศลกระตุ้นเตือนกุศลให้เกิดขึ้น ทำเมตตาเป็นต้นให้เกิดขึ้นกรุณาเป็นต้นให้เกิดขึ้นมุทิตาเป็นต้นให้เกิดขึ้นในต้นอย่างที่บอกไว้โอ้โหพอแพร่พอเจริญเมตตาเป็นกรุณาเป็นมุทิตาเป็นในชีวิตจริงๆปุ๊บขึ้นมาเอาแล้วสิเนี้ยนะก็สามารถเข้าถึงสภาพใจที่เป็นไปกับเมตตาเป็นต้นได้ก็กําจัดอกุศลธรรมมันชั่วร้ายเป็นต้นได้เออแต่นี้ก็เลยการจะกินอาหารคนที่เมตตาตัวเองก็กินยังไง จะเดินคนที่เมตตาตัวเองก็เดินยังไงจะพูดคนที่เมตตาตัวเองก็พูดยังไงจะเยืนเดินนั่งนอนตื่นหลับพูดนิ่งทั้งหลายเลยเนี้ยถ้าเมตตาตนเองแล้วควรวางท่าทีทางใจอย่างไรโอชัดเลยเดย้เนี่ยกุศลกรรมให้ผลไหมแบบเนี้ยกุศลรรกรรมก็ให้ผลเมื่อกุศลกรรมให้ผลก็มีผลเป็นความสุขไงทั้งบุคคลิกทั้งสภาพจิตใจบุคคลิกภาพออกมาก็โหยดูอ่อนโยนเป็นใบกับกุศลทุกประการเลย พอสมควรแก่การจะเข้าใจเรื่องกรรมและผลของกรรมไหมยังตอนนี้ยเข้าใจแล้วแต่ยังทําไม่เป็นเออตรงนี้ยเป็นการที่ต้องไปฝึกผลพัฒนาต่อไปไหมฟังเสร็จปุ๊บก็ได้แค่ฟังอะ่ะฟังประจาไวอ้อ่ะก็ไปวางแหวกเขาไว้เพราะฉนั้นคนให้อาหารเราไม่ไปกินนั่นจะเป็นประโยชน์ต่อร่างกายไหมก็ไม่เป็นอีกดงั้นต่อไปเวลาฟังแล้วต้องเอาไปกินเอาไปบริโภคเอาไปฝึกผลพัฒนาให้เกิดไหมเนี่ย เอาแล้วแต่เนี้ยหรือว่าเอาไว้ทําตอนไหนธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงเนี่ยเอาไปทําชาัดนะแค่เรียนรู้ให้เข้าใจเป็นประโยชน์ไหมเป็นประโยชน์ถ้าเอาไว้ไปเถียงกันก็นลาบากเอาแล้วแต่นี้มาดูสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนแล้วคนอื่นก็มีกรรมเป็นของของตนเช่นกันการที่เราจะช่วยให้เขามีความสุขใจหรือจะช่วยปลดเปลื้องความทุกข์ใจออก ให้แก่คนผู้ใดผู้หนึ่งด้วยความเพียรพยายามของเรานั่นเองไม่ใช่วิสัยที่จะเป็นไปได้เนี่ยอาจจะช่วยได้ไหมไม่ได้จะเป็นแงยความคิดออกมา้ได้ไหมไม่ได้จะไปบังคับได้ไหมอา้าวไม่ได้อีกโอ้หมดแล้วยางนั้นเลยอุเบกขาชัดเลยวางใจเป็นกลางเลยใช่ไหมเอาละสัตว์ทั้งหลายก็มีกรรมเป็นทรัพย์สมบัติของตนเอง เนี่ยถึงวาลานั้นก็ต้องวางใจแบบนี้แหละก็มองเพ่งดูอยู่แม้เราก็ต้องเป็นแบบนั้นเขาก็ต้องเป็นแบบนี้อันนี้ใชยเฉยเมยไหมหรือเฉย ม, อ, ม, อ, ฉมองไม่เฉยมองนะเพราะจริงๆทดลองเมตตามาก็แล้วกรุฎามาก็แล้วมุทิตามาก็แล้วโอ้ไม่ได้ผลเหลือขั้นตอนสุดท้ายวางใจเป็นกลางเลย <laughs> นี่ ในขณะที่วางใจเป็นกลางเนี่ยชื่อว่ากําลังปฏิบัติธรรมะไหมเออเป็นการปฏิบัติธรรมเนี่ยพวกเราบางทีให้สังเกตดูนว่เออเนี่ ย, ยพวกเราเนี่ยนักบวชใช่ไหมในขณะที่เรากําลังเดินกุศรรลกรรมเดินพรหมวิหารอยู่ในขณะที่กําลังฝึกฝนพรหมวิหารและทําให้เกิดขึ้นในใจอยู่ในการยืนเดินนั่งนอนตื่นหลับพูดนิ่งคู่เข้าเหยียดออกและตรงแลเหลียว การกินดื่มเคี้ยวริ้มถายอุจราระปัสสาวะทำกิจกรรมของชีวิตดําเนินไปด้วยกุศลอย่างนี้ชื่อว่าเป็นการประกาศว่าทำคําสอนของพระพุทธเจ้าไหมเป็นการประกาศนะสมณะเชื่อสายศากยะบุตรพุทธชิโนรสในขณะที่เดินกุศลฝึกฝนพัฒนาตนเองอยู่เนี่ยอันนั้นคือเขาเรียกอวจนะภาษาเป็นภาษาที่ไม่ต้องพูดออกมาไม่ต้องเขียนออกมาแต่เป็นการทําให้ดูอวจนะภาษาเป็นการทําให้ดูเลย ทำให้มนุษย์ได้ดูทําให้เทวดาได้ดูทําให้บุคคลที่เกี่ยวข้องได้ดูได้เห็นว่าเนี่ยสมณะเชื้อสายสากยะบุตรเนี่ยอยู่กันอย่างนี้โอ้โหเนี่ยไหเนี่ยได้กุศลเลยแต่เนี่ยนะคนอื่นเขามองปุ๊บแม่เขาได้เห็นรูปแบบว่าโโนั่งเรียนธรรมะดนมูน่าศรัทธานี่เทวดาเห็นว่าโมทนาสาธุสาธุแมบุคคลเหล่านี้ภิกษุเหล่านี้ข้นขวายในการศึกษาพระธรรมเหลือเกินอ่าเทวดาที่ไม่เลื่อมใสก็เลื่อมใส ไอ้ที่เลื่อมใสแล้วก็ยังความเลื่อมใสให้เกิดขึ้นยิ่งยิ่งขึ้นไปจิตเขาปลาโมดไหมเมื่อปราโมดก็เป็นปัจจัยแก่ปีติปีติก็เป็นปัจจัยแก่ปัจสถทธิปัจสถาที่ก็เป็นปัจจัยแก่สุขสมนัตสุขสมนัตก็เป็นปัจจัยแก่สมาธิสมาธิก็เป็นปัจจัยแก่ปัญญ า, าโอ้เขาได้พัฒนาศรัทธาวิริยัสติสมาธิปัญญาด้วยการเห็นปฏิกิริยาพฤติกรรมของสมณะเชื้อสายศักยตบุตรนี่แหละในการยืนเดินนั่งนอนหรือในการสนทนาพระธรรม โอ้น่าชื่นใจจริงๆแล้วยิ่งเทพเทวดาเหล่านั้นรู้วาระจิตของนักบวช ด, ด้วยใช่ไหมโอ้ใจกําลังเป็นใบกุศลติดต่อต่ อ, ตอเนื่องก็โมธนาไหมโอ้นิศียกาลังเกิดขึ้นสมาธิปัญญากําลังเกิดขึ้นเห็นสามเณรบอมกําลังเดินกุศลอย่างติด ต, ต่อต่อเนื่องเทวดาโหสาทุกระจายเลยตั้งแต่จาตัมหาราชกาเตวติงสายามาดุสตานิมาณรดีปรณิมิสวสวัสดีเป็นแถวเลยเนี่ย สาธุสาธุสาธุนี่ก็หุมจั ก, กรวาลเลยขนาดนั้นเลแต่ในขณะเดียวกันทําไม่เดินกุศลเลยทำไมทำจิตให้เป็นบาปเป็นอกุศลกรรมทั้งหลายเหล่านี้นะทำจิตที่ลามกทําจิตที่งดหงุดหงิดพุ่งสร้างให้เกิดขึ้นเด๋ยวดาดูแล้วโอ้โหทไมคุณเป็นอย่างเนี้ทําไมไม่เดินกุศลทั้งๆที่ฟังธรรมะนี่ยอมฟังแล้วเนี่ยแหมปิติปลาโม่แต่ท่านฟังแล้วทําไมหาวบ้าง งดหงิดบ้างไม่เป็นพ่ออะไรอะไรเงี้งงเยเนี่ยงงเลยนี่เทวดาก็งงเลยอย่างนี้เทวดาจะโมโนามไหมไม่มมโมโนธรแถบรู้สึกตําหนิบางทีตําหนิไปตําหนิมานะครับไม่ตําหนิแล้วปล่อยท่านเดอะ <c oughs> ท่านเหมือนเด็ ก, กว่างั้นเลยบางทีเทวดาเป็นอยู่ถ้าใครๆบอกว่าลําบากแล้วเทวดาก็เหมือนเด็กแต่ถ้าหากยังเตือนได้เทวดามาเตือน นั้นจริงๆแล้วเนี่ยในขณะที่เราประกอบพฤติกรรมอยู่เนี่ยคนมองดูเราเยอะไหมเขาบอกว่าในขณะที่เราปฏิบัติธรรมะเทวดาจ้องกันตาเป็นมันคอยมัวธนาสาธุหนึ่งสาธุครั้งแรกตอนบวชและเห็นในขณะที่เราขวนขวายก็ให้กําลังใจเราใหญ่เลยถ้าเราได้บรรลุฌานบรรลุอะไรขึ้นมาเนี่ยโอ้สาธุอีกแล้วถ้าได้บรรลุมาร์โลเนี่ยโกกห้ยกระหึ่มสาธุกันทั่วจักรวาลเลยขนาดนั้นนะครับเนี่ยมีคนขอลุ้นพวกเราเยอะเนี แต่เราไม่เคยรู้ตัวว่าคนกําลังจะลุ้นเราอยู่เนี่ยใช่ไหมบางทีลุ้นแล้วเอ้าไม่ไปสิแล้วลุ้นแล้วเอ้าไม่ไปแล้วเห็นน้ำทีทําท่าจะท่องปฏิโมกเอ้าวหยุดติโอ้ลุ้นไม่ขึ้นอย่าให้เป็นอย่างนั้นนะอย่าทําให้คนอื่นผิดหวังเข้าใจยังมีคนที่หวังในตัวเราเยอะไหมเยอะมากแน่ไหนนะหวังในตัวท่านเยอะมากเลยเทพเทวดาทั้งหลายจ้องเลยมากรุ่นเนี้ยเนี่ยโอเทวดาจ้องกันเป็นแถวเป็นแถวเลย จใจทำให้ผิดหวังอยู่เรื่อยเลยเอา้าวกลับเข้ามาหาอุเบกขาต่อก็หมายความบอกว่าการที่เราจะช่วยเขามีความสุขลดปลดเปลื้องให้เขาพ้นจากความทุกข์กายทุกใจนั้นเนี่ยด้วยความพยายามของเรานั้นไม่ใช่วิสัยที่เป็นไปได้และการมัววุ่นวายอยู่กับสัตว์ทั้งหลายโดยการแผ่เมตตาจิตบ้างวุ่นวายอยู่กับสัตว์ทั้งหลายด้วยการแผ่กุณาจิตบ้าง วุ่นวายอยู่กับสัตว์ทั้งหลายโดยการแผ่มุทิตาจิตบ้างไปถึงสปรปสัตว์ทั้งหลายเป็นภาละที่หยาบเป็นสภาวะที่หยาบอยู่การวางใจเป็นกลางๆงในสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงต่างหากเป็นสภาวะที่ละเอียดสุ ข, ขุมลุ่มลึกมีใจเป็นหนึ่งเดียวเป็นอารมณ์ที่เป็นกลางๆงเป็นหนทางที่พระริยเจ้าทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นดําเนินไปแล้ว โอ้คิดอย่างนี้มีกำลังใจฟึบกลับขึ้นมาเลยเนี้ยไม่ไ ม, ไม่ไม่ต้องไปขวนขวายอีกแล้วในการปฏิบัติเนี่ยผู้ปฏิบัติก็ฝึกฝนทำอุเบกขาจิตนั้นให้ชำนานให้ ช, นชนานี้ชานาญแล้วก็ควรแก่การงานแต่นั้นก็เพียรพยายามเจริญอุเบกขาเกิดขึ้นในตนเองต่อไปโดยการบริกรรมว่าอาหางกรรมสโกโหมิอาหางกรรมสโก h o m ิแปลว่าอะไร แปลว่าอะไรแปลไม่ได้อีกเรานี้เป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนอาหางข้าพเจ้ญญาหรือเราได้เทงนั้นอาหงางกรรมสโกโหมิเรานี้เป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนใช่นไหมเรามีสุดจริตกรรมและทุจริตกรรมเป็นของของตนเมื่อเราทําสุดจริตกรรมสุดจริตกรรมก็ตามส่งเสริมกระแสชีวิตทุกอัตภาพที่เกิด ถ้าเราทําทุจริตกรรมทุจริตกรรมก็ตามเบียดเบียนกระแสะชีวิตทุกอัตภาพที่เกิดอาหางกรรมสโกโหมิเราเป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนใช่ไหมใช่ไม่ใช่เออเนี่ยบริกรรมไปอหังกรมมสโกโหมิอหังกัมมสโกโหมิเนี่ยไปนีเวลามันเกิดนอนไม่หลับขึ้นมาก็อุทานออกมาว่าอาหังกรมมสโกโหมิได้ไหม เกิดเครียดเกิดกรธขึ้นมาปุ๊บก็บอกอหางกรมมสโกโหมิเรามีกรรมเป็นของของตนตอนนี้เรากําลังทําอกุศลกรรมอยู่อกุศลกรรมนี้ก็เลยกลายเป็นสมบัติของเราเรียบร้อยไปแล้วตอนนี้อกุศลกรรมนี้ก็กําลังเบียดเบียนให้ผลตามจิตตามเบียดเบียนกระแสชีวิตเราเรียบร้อยไปแล้วเอาก็เปลียนใหม่ได้ไหมเป็นอาหารกรรมสโกโฮมิโดยการทํากุศลกรรมเสีย กุศลกรรมก็เลยตามส่งเสริมกระแสชีวิตใช่ไหมนั้นไปที่ไหนอุทานบ่อยๆนะอาหังอะไรนะว่าไงเนี่ยว่าไงเนี่ยบอมว่าไงอหารอะไรแปลว่าอะไรเออท่องบ่อยๆนะะไปที่ไหนก็อุทานบ่อยๆเลยเวลาหาวัตถุที่ปุ๊บอาหังกัมมาสโกโหมีใช่ไฮะ เอ่ชัดเลยเป็นคําอุทานเลยนะวเวลาเจอเวลาจะเจริญเวกขาไปเจอใครก็กรรมมสะโกโหัวมีมีกรรมเป็นของของตนด้วยวิธีที่ภาวนาในใจบ่อยๆซ้ําแล้วซ้ําเล่าร้อยครั้งพันครั้งจนกว่าจิตจะประกอบไปด้วยเวกขาคือความเป็นกลางๆในตนเองปรากฏชัดขึ้นโอ้ตอนนี้พอปรากฏชัดขึ้นมาแล้วตอนี้ก็การที่วางใจเป็นกลางในตนเองเป็นที่ทําได้ยากนะเป็นสิ่งที่ทําได้ยาก ในวิสุทธิมาร์กบอกว่าความเพราะความเห็นแก่ตนเป็นภาวะที่มีกำลังมากในธรรมนิยามของโลเกียชนเนี่ยแต่ผู้ที่ปฏิบัติเพียรพยายามอยู่ในทํานองนี้ความวางใจเป็นกลางๆในตนเองก็จะเป็นสภาพที่ตั้งมั่นแน่วแน่ไม่ซ่านออกไปในอมอื่นภายนอกได้นี่แต่ว่าลำดับนี้ทําเสร็จแล้วนะได้ลดับที่สอง นี่แปลว่าทำจนเข้าใจแล้วนะรำดับแรกแผ่เมตตาเอออุเบกขาเองลาดับที่สองก็คือการเจริญอุเบกขาไปในบุคคลที่เป็นกลางๆใช่ไหมเอาคนนี้ก่อนเลยเพราะแผ่ได้ง่ายผู้ปฏิบัติก็เจริญอุเบกขาไปในบุคคลที่เป็นกลางๆในลาดับต่อจากตนโดยในที่พรเจ้าแสดงไว้ในกำมีวิพัง์ว่า ภิกษุผู้มีจิตประกอบไปด้วยอเวขาย่อมแผวเวขาจิตเนี่ยไปในทิศหนึ่งหนึ่งอยู่คือทําอย่างไรย่อมแผวเวขาจิตไปในสัตว์ทั้งปวงเหมือนอย่างที่ได้เห็นเห็นคนอื่นซึ่งเป็นผู้ที่ตนไม่รักไม่ชังคนหนึ่งแล้วก็พึงเป็นเป็นอยู่เฉยๆอยู่นั้นน่ยผู้ปฏิบัติก็แพ่งจิตเป็น ก, กลางๆในบุคคลที่เป็นกลางกลางจนกว่าจิตนั้นจะประกอบไปด้วยอุเวขาโดวยวิธีมองในแง่ที่คนทุกคนรวมทั้งตนเองเนี่ยเป็นผู้มีกรรมเป็นของตนว่า คนผู้นี้เมื่อเขาจะมาเกิดในโลกนี้เขาก็มาด้วยอำนาจของกรรมที่เขาทำไว้เองเมื่อเขาจะจากโลกนี้ไปเขาจะต้องไปตามนานกรรมที่เขาทำไว้เองการที่เราจะช่วยให้เขามีความสุขหรือจะช่วยปลดเปลื้องความทุกข์ใจให้แก่คนนี้ด้วยความเพียรพยายามเองนั้นไม่ใช่วิสัยที่จะเป็นไปได้ในทางปฏิบัติผู้ปฏิบัติก็ส่งจิตไปในบุคคลนั้นด้วยการภาวนาด้วยนะอะยังมัชชตาปุกโลกามสโกโหติ บุคคลผู้เป็นกลางๆางนี้เป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนบุคคลผู้มีเป็นกลางๆางนี้มีกรรมเป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนนะหรือเอเตมัชชตปุกคากรรมสกาโหติบุคคลผู้เป็นกลางกลางเหล่านี้เป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนบุคคลผู้เป็นกลางๆางเหล่านี้เป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนหรือสเพมัชชตาปุคคากรรมสกาโหติ บุคคลผู้เป็นกลางๆทั้งปวงนี้เป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนบุคคลผู้มีเป็นกลางกลางทั้งปวงนี้เป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนเนี่ยภาวนาบ่อยๆแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเป็นร้อยเป็นพันจนกว่าจิตจะประกอบไปได้วยเบกขาเมื่อความเป็นกลางในบุคคลนั้นปรากฏขึ้นในใจอย่างเด่นชัดเมื่อผู้ปฏิบัติพยายามปฏิบัติในทํานองอย่างนี้ความวางใจเป็นกลางกลาง อย่างปกติในบุคคลนั้นนั้นก็จะเป็นสภาพที่ตั้งมั่นหยั่ง แ, แน่วแน่ไม่สร่านออกไปในอารมณ์ภายนอกได้อย่างเงี้ยเจริญได้แล้วนะนั้นจเจริญให้กับตนเองกับบุคคลที่เป็นกลางๆเนี่ยไม่ยากเท่าไหร่เพราะอะไรเพราะว่ามันง่ายต่อการจเจริญเวขาให้สังเกตดูนะ เฉยในที่นี้ไม่ใช่เฉยเมยด้วยเป็นการเฉยที่เป็นไปกับปัญญาถ้างนั้นไม่แผ่วไปแล้วถ้เฉยเมยนี่มันเฉยไม่สนใจอะเรื่องเองเฉยแบบไร้น้ำใจอะคนละอย่างนะนี่เฉยแบบมีน้ำใจนะและเฉยแบบมีปัญญาด้วยคนละอย่างกับการอุ้มคนเราอย่างกับโมหะในสังคมไทยเราส่วนใหญ่เป็นโมหะไม่สนใจกันกใครละเรื่องเขาอย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งเห่างนัน เขาจะทำดีทำชั่วใดๆก็แล้วแต่ก็ปล่อยๆเขาไปหกเดเนี่ยเฉยในรักสนามเนี้ ย, เ, ยเป็นการเฉยแบบโมหะเนีเฉยแบบไม่รู้เรื่องในลำดับที่3คือการเจริญอุเบกขาไปในบุคคลผู้เป็นที่รักเมื่อผู้ปฏิบัติเจริญอุเบกขาไปในบุคคลที่เป็นกลางๆซึ่งเป็นบุคคลประเภทที่อุเบกขาสามารถเกิดขึ้นได้ง่ายแล้วเนี่ย ได้ภาวนาวิธีดังที่สแสดงมาจนกว่าเนี่ยจะบรรลุจนสามารถบรรลุสมาธิระดับสูงคืออุเบกขาได้เนี่ยลดับต่อไปก็ให้เจริญอุเบกขาไปในบุคคลอันเป็นที่รักในการปฏิบัติเนี่ยผู้ปฏิบัติเนี่ยฝึกอุเบกขานั้นให้คล่องแคล่วควรแก่การงานจนชำนิชำนาญด้วยวสีเป็นต้นเนี่ยชนาญในการเข้าการออกการตั้งอยู่การพิจารณาองชันเนี่ย แต่นั้นก็พยายามจรเดินอุเบกขาให้เกิดในบุคคลนั้นเป็นที่รักหรือผู้ที่พระตถาคกอาจารย์เรียกว่าสหายบอกว่าอยังปิยปุกคโรกรรมสโกโหติไม่เป็นไรบุคคลผู้เป็นที่รักนี้เป็นผู้มีกรรมเป็นของของต น, นบุคคลผู้เป็นที่รักนี้มีกรรมเป็นของของตนเห็นวลีกรรมอย่างนี้นะ หรือเอเตปิยาปุขารกรรมสกาโหนติบุคคลผู้เป็นที่รักเหล่านี้เป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนหรือบุคคลผู้เป็นที่รักเหล่านี้มีกรรมเป็นของของตนประการที่สามก็สเพปิยาปุขารกรรมสกาโหติบุคคลผู้เป็นที่รักทั้งปวงเป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนอันนี้เป็นการเจริญอุเบกขาไปในบุคคลอันเป็นที่รัก ด้วยภาวนาจิตบ่อยๆซ้ําแล้วซ้ําเล่าร้อยครั้งพันครั้งจนกว่าเจจิตจะเป็นไปด้วยอุเบกขาคือความเป็นกลางเออเนี่ยลักษณะอย่างนี้ก็คือว่าการวางใจเป็นกลางในที่กล่าวไปพิจารณาว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนนี่แหละเมื่อทําอย่างนี้แล้วจนกว่าจิตจะประกอบไปด้วยอุเบกขาคือความเป็นกลางๆในบุคคล น, นั้นนะ่ะจะปรากฏขึ้นในใจอย่างเด่นชัด เมื่อผู้ปฏิบัติพยายามปฏิบัติอยู่ในทรรนองอย่างนี้การวางใจเป็นกลางอย่างปกติในบุคคลนั้นก็จะเป็นสภาพที่แน่วแน่ไม่ซ่านออกไปในรมภายนอกถ้าในลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นการฝึกฝนในการที่ทาอุเบกขาให้เกิดขึ้นชัดเจนแล้วอันนี้ในบุคคลที่รักประการต่อไปก็คือการเจริญอุเบกขาในบุคคลที่เป็นสตรูกันนะอันนี้ หลายๆคนเจริญอุเบกขาจะเป็นอุเบกขาเทียมเช่นคนที่เป็นศัตรูเนี่ยผู้ที่เจริญอุเบกขาไปในบุคคลที่เป็นที่รักด้วยภาวนาดังกล่าวเสมอมาแล้วจนสามารถเข้าถึงสมาธิระดับสูงได้แล้วแต่ผู้ปฏิบัติไม่ควรพอใจหยุดอยู่ด้วยเหตุที่ได้บรรลุความสำเร็จเพียงเท่านี้ต้องขวนขวายเพื่อเจริญอุเบกขาไปในศัตรูหรือคนที่เราไม่ชอบเนี่ยหรือคนที่เป็นเวรีบุคคล ในการปฏิบัติเนี่ยผู้ปฏิบัติต้องทำอุเบกขาจิตนั้นให้อ่อนโยนนะทำจิตให้อ่อนโยนเพราะโดยส่วนใหญ่เนี่ยที่เราทำกันเนี่ยถ้าเราไม่ชอบใครก็คือไม่สนใจเขาจะเป็นยังไงก็ช่างเฉยเมยไปเลยอันนี้ไม่เรียกอุเบกขาแต่อุเบกขาที่เป็นอุเบกขาในพรหมวิหารเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเจริญอุเบกขากับตนเองแล้วจนชนานาญแล้ว เจริญอุเบกขาใกับบุคคลที่เป็นกลางๆจนชำนาญแล้วจนเข้าถึงสมาธิแล้วเจริญอุเบกขาไปในบุคคลที่เป็นผู้รักเนี่ยนะคนคนนั้เป็นที่รักเนี่ยเป็นสหายเป็นที่รักเป็นบุคคลในเป็นที่รักเนี่ยจนสามารถทําอุเบกขาชานสมาธิให้ตั้งมั่นได้แล้วประการต่อมาเวลาจะเจริญอุเบกขาการวางใจเป็นกลางในบุคคลที่เป็นเวรีบุคคลเนี่ยก็จะต้องฝึกให้เกิดชํานาญ ในสิ่งที่ตนเองได้สมาธิมาก่อนต่อจากนั้นก็เจริญเวขายเกิดกับบุคคลที่เป็นศัตรูต่อไปโดยภาวนาว่าอยังเวรีปุกโรกร ม, มสโกโหติเนี่ยหรือว่าเป็นภาษาไทยคือว่าบุคคลผู้เป็นศัตรูนี้เป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนจริงๆแล้วเนี่ยมันตั้งแต่เราแล้วใช่ไหมการวางใจเป็นกลางในตนเองเราก็มีกรรมเป็นทรัพย์สมบัติของตนเองสัตว์ทั้งหลายที่ทําสุดจิติกรรมหรือทุจริตกรรมเนี่ย สุดจิตกรรมและทุกจิตกรรมที่เราทำไว้เนี่ยก็จะเป็นสมบัติติดตัวเราไปในทุกอัตภาพที่เกิดแม้เราทำเช่นเราโกรธเราไปทำความโกรธทำความอาฆาตพยาบาทที่เกิดขึ้นในใจไอความโกรธทั้งหลายก็เข้ามาเผารนจิตใจของเราบุคลิกภาพของเราก็เป็นไปด้วยการทะมึงถึงเป็นต้น อันนี้แปลว่ากรรมคือความโกรธนั้นก็เบียดเบียนกระแสชีวิตเราอยู่แล้วทําให้จิตใจของเราเศร้าหมองบุคลิกภาพของเราเนี่ยดูไม่น่าดูความเสื่อมลาบเสื่อมยศทั้งหลายตามมาอย่างไรสภาพสังคมสิ่งแวดล้อมได้รับอย่างไรเป็นต้นก็ตามติดตามมาเป็นต้นเนี่ยอันนี้กสัตว์ทั้งหลายก็มีกรรมคืออกุศลกรรมเป็นทรัพย์สมบัติของตนแต่ถ้าในขณะเดียวกันสัตว์นั้นทํากุศลกรรม คือทำสภาพทานกุศลศีลกุศลหรือภาวนากุศลทําใจเป็นไปกับเมตตาความราักความปรารถนาดีเป็นต้นหรือกรุณาหรือมิติตาทํากุศ ล, ลจิตให้เกิดขึ้นเจตนาที่เป็นไปกับกุศลก็ตามส่งเสริมกระแสะชีวิตโดยการทําจิตนั้นให้เป็นไปกับความสะอาดเยี่ยมมองผ่องแผ้วจิตที่เป็นไปกับสุขสมานัสจิตที่เป็นไปกับปัญญาทั้งหลายเกิดขึ้นของเสียไม่มีบุคลิกภาพก็เป็นไปด้วยความอ่อนโยนนุ่มนวล แล้วก็ความเป็นผู้มีลาบมียศสุขสารเสริญสภาพสังคมสิ่งแวดล้อมได้รับอย่างไรเนี่ยกรรมเหล่านี้เป็นสมบัติติดตัวสัตว์ทั้งหลายปิที่เป็นผู้กําลังกระทําและจักระทําำที่เคยกระทํามาเนี่ยกรรมทั้งเตือนอดีตปัจจุบันและอนาคตเนี่ยกรรมเหล่านี้ก็ตามส่งเสริมบ้างตามเบียดเบียนบ้างอย่างนี้เป็นต้นแม้คนที่เป็นตนเองก็เป็นอย่างนี้คนที่เป็นกลางๆางกับเราก็เป็นอย่างนี้คนที่เป็นที่รักที่เคารพกับเราก็เป็นอย่างนี้ แม้เวรีบุคคลคนที่เป็นศัตรูกับเราก็มีกรรมนี่แหละเป็นทรัพย์สมบัติของตนฉะนั้นอยังเวรีปุคคลกรรมสโกโหติเนี่ยบุคคลผู้เป็นศัตรูนี้เป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนหรือว่าเอเตเวรีบุคคารกรรมมสกาโหติบุคคลผู้เป็นศัตรูเหล่านี้เป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนนไบุคคลผู้เป็นศัตรูเหล่านี้เป็นผู้มีกรรมเป็นของของตน แต่ใจที่แผ่ไปเนี่ยเรียบเสมอละเอียดอ่อนสุขุมวางเฉยเป็นกลางในสัตว์ทั้งหลายด้วยนะในตนเราเองด้วยในบุคคลที่เป็นกลางๆด้วยในบุคคลที่เป็นที่รักด้วยแม้บุคคลที่เป็นเวรีบุคคลเป็นศัตรูด้วยสเพเวรีปุคารากมสกาหติบุคคลผู้เป็นศัตรูทั้งปวงเป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนบุคคลผู้เป็นศัตรูทั้งปวงเป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนเนี่ยนะด้วยวิธีภาวนาบ่อยๆ ร้อยครั้งบางพันครั้งหมื่นครั้งว่าไปจนกระทั่งจิตเนี่ยประกอบไปด้วยเวีขาคือความเป็นกลางๆในบุคคลนั้นจะปรากฏขึ้นในใจอย่างเด่นชัดเมื่อผู้ปฏิบัติพยายามปฏิบัติอยู่ในทํานองนี้ความวางใจเป็นกลางๆอย่างปกติในบุคคลนั้นก็จะเป็นสภาพที่ตั้งอยู่อย่างแน่วแน่ไม่ซ่านออกไปในอารมณ์ภายนอกขณะนั้นนิวรนคือกามฉันทะนิวรนความติดใจฝ่กระสันพยาบาทนิวรน คือความเครียดความโกรธถีนมิทัป น, นิวอ์คือความหดหู่เซ็งท้อถอยอุทธจักรกุกจากนิวอนคือความฟุ้งซ่านลาคาญใจวิจิกิจชานิวอนคือความลังเลสงสัยนิวอ์ทั้ง5้าก็จะถูกข่มด้วยกําลังของอุเบกขาภาวนาด้วยพลังของภาวนานี่แหละกิเลสทั้งหลายก็สงบเป็นไปตามลําดับและก็ย่อมบรรลุถึงอัปปนาสมาธิสมาธิที่แนบแน่นเป็นต้นได้ทีนี้การจเจริญอุเบกขาในบุคคลผู้เป็นศัตรูนี่นะ ถ้าความโกรธความแค้นเกิดขึ้นแก่ผู้ปฏิบัติในทํานองที่แสดงไว้ในเมตตาเนี่ยผู้ปฏิบัติก็ต้องบันเทาความโกรธความแค้นนั้นให้ระงับด้วยอุบายวิธีต่างๆเช่นหวนกลับไปเจริญกรรมฐานในบุคคลจำพวกต้นนะเสียใหม่คือถ้าความโกรธเกิดปุ๊บก็พิจารณาวางเฉยในตนเองใหม่แล้วก็ค่อยไปวางเฉย ในบุคคลที่เป็นกลางกลางวางเฉยในบุคคลที่เรารักเคารพแล้วก็ลองแพ่เวขาไปในคนที่เราเกลียดหรือเป็นศัตรูอา้าวถ้าโทรศัมันเกิดอีกย้อนกลับมาดูแต่ตัวเองใหม่ถ้าทําอย่างนี้ก็ยังไม่หายความโกรธก็ยังไม่ยุบหายไปให้ระลึกถึงพุทธโอวาสใช่ไหมฮะว่าเราเป็นสัมมาณะเชื้อสายศักยะบุตรพุทธชิโอรสเป็นพุทธบุริษัทสี่ของพุทธเจ้าก็นึกถึงในกาการจูปมัสสูตรพุทธเจ้าบอกว่าดูกร ภิกษุภิกษุณีบาโสบาสิกาทั้งหลายถ้ามีใครนําเรื่อยที่มีด้ามสองข้างเนี่ยเอามาตัดอวัยวะน้อยใหญ่ของเธอที่เขากําลังตัดอยู่กําลังเรื่อยตัดอยู่ถ้าเธอทําความโกรธความหงุดหงิดที่เกิดขึ้นในบุคคลที่กําลังประทุษร้ายเธออยู่นั้นชื่อว่าไม่ทําตามคําสอนของเราโอ้เล่นหนักเลยนะบอกเออเราเป็นบริษัทของพระพุทธเจ้านี่ เราเป็นสาวกของพระเจ้านี่การเราที่เราทำความโกรธให้เกิดขึ้นในบุคคลที่กำลังปรทุสร้ายเราไม่สมควรเลยอย่างนี้เป็นตน้นมองออกองออ ก, ออ ก, ออ ก, ออกนะได้กล่าวไปแล้วเมื่อวานฉะนั้นเนี่ยพูดถึงพุทธโอวาทต่างๆไล่ไปตามลำดับจนถึงข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายว่าไงลืมแล้วพิจารณาแยกธาตุ แยกในความเป็นผมกอนเล็บฟันเราโกรธอะไรกันแน่เงี้ยแยกส ก, กระจุยกระจายให้หมดเลยจะไม่เห็นความโกรธลงเหลืออยู่เลยล้วโกรธสิ่งที่มันไม่มีอยู่จริงไงนะแตกดับสืบต่อส่วนผู้ปฏิบัติที่ไม่หรือบางคนไม่มีคู่เวนะเกิดมาไม่เคยโกรธใครเลยเคยเป็นไหมตั้งแต่เกิดมาเป็นมนุษย์กับเขาไม่เคยโกรธกับใครเลยอ่ะเคยหรือไม่เคยเคยมหมโยเคยม ไม่เคยน้อยเนื้อต่ําใจใครเลยไม่เคยหงุดหงิดใครเลยไม่เคยโกรธมีนะคนประเภทนี้หรืออาจจะมีเล็กน้อยแค่นั้นเนี่แต่ขมได้อย่างรวดเร็วปุ๊บขอมอย่พระมา้าบุรุษเนี่ยมีนะที่ท่านเป็นพระโพธิสัตว์ไม่มีความผูกเวรกับใครๆพอเห็นโทษนี่นแหละทั้งที่เป็นคนมีความมีคนทําให้เสียหายอย่างไรเนื่องจากเพราะเป็นชาติเชื้อหมาบุรุษมีอัจฉรยะสายกว้างขวางยิ่งใหญ่ ไม่จำต้องทำความขวนขวายในกรณีนี้นะก็คือว่าจิตของเราอ่อนควนต่อการงานเนี่ยเราจากมุ่งอุเวขาจิตเป็นคนที่เป็นคู่เวเนี่ยไม่ไม่ต้องขวนขวายเลยแปลว่าเขาไม่มีเขาละได้ค่อนข้างชัดเจนในการปฏิบัตินั้นผู้ปฏิบัติก็ทำจิตให้อ่อนควนต่อการงานอย่งบุคคลแต่ละประเภทแต่ละประเภทให้ชำนาญจนวสีก่อน แล้วจึงเจริญอุเวขาไปในบุคคล น, นั้นๆตามลําดับเพื่อทอําอเวขาให้เป็นสีมะสัมเพสต่อไปวิธีการก็คือว่าเมื่อผู้ปฏิบัติพยายามยางอเวขาจิตให้เป็นไปในตนเองได้แล้วด้วยวิธีการต่างๆจิตของผู้ที่ปฏิบัตินั้นก็จะแผ่ไปแล้วก็จะน้อมไปในตนเองได้ด้วยวิธีการของอเบกขาภาวนาเช่นเดียวกับบุคคลผู้เป็นกลางๆบุคคลที่เป็นที่รักและเป็นศัตรู ผู้ปฏิบัติก็จเจริญอุเบกขาให้บ่อยยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นแล้วก็ทําอุเบกขาภาวนาให้เป็นสีมาสัาเพส9คือทําจิตให้เสมอกันเสมอกันก็คือเป็นกลางๆลาง น, นแหละและบุคคลหเป็นกลางในบุคคลที่ทําเสมอกันในบุคคลที่เป็นกลางๆทําเสมอการในบุคคลที่เป็นที่รักบุคคลที่เป็นศัตรูและก็ตนเอง4บุคคลนี้นะ วางเฉยกับตนเองอย่างไรก็วางเฉยกับบุคคลที่เป็นกลางๆอย่างนั้นวางเฉยกับบุคคลตนเองบุคคลที่เป็นกลางๆอย่างใดก็สามารถวางใจเป็นกลางกับบุคคลที่เป็นที่รักอย่างนั้นแล้วก็สามารถวางใจเป็นกลางกับศัตรูได้เท่ากันเลยเนี่ยสามารถภาวนาไปแต่ละเขตแต่ละเขตแต่ละเขตเนี่ยจนสามารถเป็นเชื่อมโยงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้เลยนีสามารถเพิ่มทำจิตเข้าถึงดุลยภาพมีความวางใจเป็นกลางเสมอเหมือนกันหมด ในบุคคลสี kind of colon, um, ่จำพวกมีตนเองบุคคลที่เป็นกลางๆบุคคลที่เป็นที่รักและสตรูเป็นต้นนี่ก็าเรียกว่าจบกิจในการทำสีมะสัมเพสทำลายเขตแดนได้เรียบร้อยแล้วเมื่อผู้ปฏิบัติได้ปฏิบัติถึงขั้นสีมาสัมเพสแล้วก็พึงภาวนาให้หนักยิ่งขึ้นซึ่งสมถานิมิตคือสีมสัมเพสนั้นทำให้เจริญขึ้นภาวนาให้มากขึ้นด้วยวิธีดังที่ได้แสดงมาเนี่ย เมื่อผู้ปฏิบัติได้เพียรพยายามอย่างมุ่งมั่นในการเสพนิมิตกรรมฐานอยู่อย่างนั้นไม่ช้าไม่นานจะตุทชฌานในจจตุกนัยฌานที่4จะเกิดหรือปัญจมชฌานในปัญจมันัยมีอุเบกขาเพราะวิหารเป็นนิมิตก็จะสำเร็จเกิดขึ้นทันทีคำว่าอุเบกขาฌานเนี่ยก็หมายถึงฌานที่ปรากฏขึ้นด้วยการเจริญอุเบกขาผลของฌานนั้นก็ยังได้รับความสงบแห่งจิตใจด้วย เหมือนกับการเจริญกรรมฐานอื่นแต่ผลพิเศษของเวขาภาวนาเนี่ยคือสภาพจิตที่ประกอบไปด้วยเบคขาเป็นกลางกลงนั้นน่ะไม่อยู่ในฝากฝ่ายแห่งการรักและชังเนี่ยเป็นสภาพจิตที่บริสุทธิ์สติสัมปชัญญะแข็งแรงมากเป็นเอกะขะตาจิตตั้งมั่นเป็นจิตที่มีดุญยภาพสูงมากเป็นจิตที่มีความสม่ำเสมอสูงมากเป็นจิตที่มีความตั้งมั่นไม่วันไหว เป็นจิตที่สะอาดเอี่ยมอ่องผ่องแผ้วไม่มีมวลทินเป็นจิตที่ละเอียดอ่อนสุขุมลุ่มลึกมีความละเอียดและประณีตมากเมื่อใครเข้าฝึกได้ฌาญสมาบัติระดับนี้ก็จะมีความเป็นดุนยภาพของจิตเขาเรียกวางใจเป็นกลางในสัตว์อันเป็นที่รักและไม่รักเป็นต้นได้เป็นจิตที่ประเสริฐมีอนุภาพมากกว่าพรมิหารทั้งสาก็คือมีอนุภาพมากกว่าเมตตากรุณาและมุทิตาเพราะเมตตากรุณามุทิตามีสภาพที่ยังหยาบอยู่ แล้วก็มีสภาพขนขวายในการที่จะยังเมตตากรุณามุูิตายเกิดขึ้นเนี่ยเหตุผลก็เพราะว่าเมตตากรุณามุูิตาเนี่ยเกิดเป็นไปกับสมานัตเป็นจิตที่ยังหยาบอยู่แต่อุเบกขาพรหมวิหารเนี่ยสูงกว่านั้นละเอียดกว่านั้นประนีตกว่านั้นเพราะเป็นความสงบละเอียดประนีตที่เป็นไปกับอุเบกขาและเอกขตาอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นเป็นอุเบกขา พรหมวิหารที่มีสภาพจิต ท, ที่บริสุทธิ์ประเสริฐมีอนุภาพมากกว่าพรหมวิหารทั้งสและสามารถแผ่ไปยังสัตว์ทุกหมู่เหล่าทุกทิศ ท, ทุกสถานที่นี้เรียกอุเบขาชานบุคคลผู้ได้วุเบขาชานีพดดาานน้พระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกนี้ปรากฏอยู่ในโลกสี่จำพวกเป็นฉไหนดูก่อนพิสูจทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้มีใจประกอบไปด้วยอุเบขาแผ่ไปตลอดทิศ ท, ที่หนึ่งอยู่ แผ่ไปตลอดทิศที่2ที่สที่4เป็นต้นเมื่อทํากาละก็เท่าถึงความเป็นสหายของเทวดาชั้นพรหมกายิกาก็เกิดเป็นพรหมเลยนะเนี่ยนะหรือถ้าหากว่าทําราคะโทสะให้หมดไปนะบุคคลทั้งสี่จำพวกนี้ปรากฏอยู่ในโลกก็คือเป็นฉไหนเมื่อตายไปแล้วก็เข้าถึงความเป็นสายของเทวดาชั้นสุทาวาสถ้าเป็นผ้านาคาจะไปเกิดในชั้นสุทาวาสเอาแล้วทีนี้พอได้แล้ว พอได้ฌานแล้วนะหนักเข้ากับฝึกแผ่ได้ฌานจากการฝึกในระดับเหล่านี้แล้วต่อไปก็จะแผ่ทำให้กว้างขวางทำให้ไม่มีประมาณแผ่ไปตามทิศ ต, ต่างๆแผ่ไปในบุคคลทั้งหลายเนี่นะเมื่อสามารถทำอุเบกขาฌานให้เกิดขึ้นให้ตั้งมั่นไม่หวันไหวเป็นสมาธิที่แนบแน่นแน่ว แ, แ, แน่แล้วนะ่ก็มีการแผ่สามวิธี 1. อะโนทิเสาโสภพรณาแผ่โดยไม่เจาะจอง 2โอทิโสพรรณาแผ่โดยเจาะจง3ที่สาพรรณาแผ่ไปในทิศทั้ง10ในทิศเหนือใต้ตะวันออกตะวันตกทีสี่ใช่ไหมอ น, นุทิศอีก4เบื้องต่ํา1ึ่งกับเบื้องสูง1ก็รวมเป็น10ทิศอันดับแรกอนโนทิโสพราณาเมตตาเอกรุณเอมอุเบขาคือแผ่ไปโดยไม่เจาะจงแผ่ไปในสัตว์ในปลาหน้าในภูตากบุคคลและผู้มีอัตภาพ โอทิโศภาณาก็แผ่ไปโดยเจาะจงแผ่ไปในสตรีในบุรุษในพริยเจ้าในอนารยชนแผ่ไปที่เทวดามนุษย์และก็สัตว์ที่เป็นวินิปาติกะอบัยสัตว์แล้วก็แผ่ไปตามทิศทั้งหลายก็คือแผ่ไปในสัตว์ที่เป็นปานาภูตาภุกละผู้มีอัตภาพสตรีบุรุษภริยเจ้าอนารยชนเทวดามนุษย์และก็สัตว์วินิปาตธิกะในทิศทั้ง10ก็คือตะวันออกตะวันตกทิศเหนือทิศใต้ ตะวันออกเฉียงเหนือตะวันออกเฉียงใต้ที่ตะวันตกเฉียงเหนือตะวันตกโดยอตะวันออกเฉียงใต้ทิศเบื้องล่างอาทิตย์เบื้องบนเอาวิธีการแผ่มีสาระาสําคัญก็คือว่าอนโนธิโสรณาเนี่ยการแผ่เวขาโดยไม่เจาะจงในอาการห้าสเปสตตากรรมสกาหัวตุกสัตว์ทั้งปวงเป็นผู้มีกรรมเป็นของของตน น, นี่ก็แผ่ไปเนี่ยนะนี่แผ่สัตว์ทั้งปวงไม่เจาะจง สเพปานากรรมสักกาหขนติก็คือแพสัตย์ที่มีเนื่องด้วยปาเนะีคือเนื่องโดยลมหายใจเข้าออกทั้งปวงเป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนสเพภูตากรรมสกการขนติเนี่ยพูดภูตาเนี่ยหมายถึงขันเนี่ยขันห้าเป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนสเพปุการากรรมสกาหขนติ ปุคคราเนี่แปลว่าสัตว์ที่จะต้องไปในสังสารวัฏไปในใบยูมิก็ได้นะบุคคลเวทนี่บุคคลทั้งหลายทั้งปวงเป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนสเพอัตตภ า, าวะปริยาปนากรรมศกาหนติสัตว์ผู้เนื่องด้วยอัตภาพที่ลุดยึดยองอยู่กับขันห้าทั้งปวงเนี่ยเป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนเนี่ยแผ่ไปยังไงนี่ไม่เจาะจองเลยใช่ไหม เนี ee, ย่ยแผลอย่างเงี้ยด้วยกําลังสมาธิกําลังของฌานสามารถแผลไปได้เร็วมากปุ๊บปุ๊บปุ๊บปาจะแผลได้อย่างรวดเร็วเลยนะยางเราตอนนี้แผลไม่ออกแผลได้แต่ปากสมาธิมันไม่ไปเพราะจิตไม่อ่อนจิตไม่ควรต่อการงานถ้าจิตควรต่อการงานเนี่ยน้อมไปที่ไหนก็จะไปณที่นั้นจิตพวกเรามันจะแข็งอยู่ร่องไหนก็อยู่ร่องนั้นอยู่นั่นแหละเหมือนโกรธใครแล้วดึงออกจากความโกรธก็ไม่ได้ถ้าไปเครียดก็ดึงออกจากความเครียดไม่ได้ หรือว่าฟงซานก็ดึงออกกับฟงซานไม่ได้เนี่ยจิตแข็งกระด้างไว้เรียบร้อยแล้วหรือว่าหดหูท้อถอยกห็หดหูท้อถอยอยู่นั่นแหละซึ่งเซ็มเซ็งก็เซ็งอยู่งั้นแหละเนี่ยจิตมันไม่ควรต่อการเงินไม่ไม่อ่อนจิตไม่ถูกฝึกก็จะเป็นจิตที่แข็งกระด้างเป็นจิตที่โหน่ากลัวนีมนุษย์เนี่ยถ้าไม่ฝึกจิตนนเนี่ยน่ากลัวนะน่ากลัวมากแต่ถ้าฝึกแล้วโอ้โหจิตอ่อนยโยนน่ารักสมควรฝึกนลย อภรรการต่อไปก็คือ so <t> โอ<ฮ>ทิโสปรณาก็คือแผ่โดยเจาะจงสภาอิทิโยกรรมสกาหติสตรีทั้งปวงเป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนนี่แผ่ไปให้ผู้หญิงทั้งหมดเลยนะไม่เจาะจงนะอันนี้อันนี้เป็นการเจาะจงจะเจาะจงผู้หญิงทั้งหมดแต่ไม่เจาะจงบุคคลแต่โดยรวมสตรีทั้งหมดเลยแผ่ไปให้สตรีทั้งหมดนึกดูที่แผ่ไปด้วยทีเป็นผู้มีกรรมเป็น สตรีเนี่ยเป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนไหมเขาทํากรรมใดไว้ดีหรือชั่วจะต้องรับผลของกรรมนั้นเป็นผู้มีกรรมมีกรรมเป็นกําเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยทํากรรมใดไว้ดีหรือชั่วก็จะต้องรับผลของกรรมเนี่ยกระแผ่ไปเงี้ยนะสเพปุริสากรรมสกาโหติบุรุษทั้งปวงเป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนนี่แผ่ให้บุรุษนี่เจาะจงเฉพาะผู้ชายแล้วก็สเพอริยากรรมสกาโหติ ภาริยาเจ้าทั้งปวงเป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนนี่แพ้ภาริยะทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นพระโสดาบันสก่าทาคาพระอนาคาพะระอรหันต์แผลไปอันหาประมาณมิได้แพลปปุ๊ปปไปในภาริยะแล้วก็สัพเพอนาริยาก ร, รมสการณตินี่แพ้ปุรุชนนั่นเองอนาริยาอนาริยะก็ไม่ใช่อริยากับุรุชนทั้งปวงเป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนใครที่เป็นปุรุชนแพ้หมดนะสัพเพเ ท, ทวากรรมสการณตู เทวดาทั้งปวงเป็นผู้มีกรรมเป็นของตอนเทวดานีนร้อนรวมถึงพรมด้วยเนี่ยแผลเทวดาเลยเคยแผลไหมโอ้โหพวกเรานี่จิตใจเจืดกันจังเลยเนี่ยไหลน้ำใจนะไม่วันๆไม่เคยแผลเมตตาเลยให้ใครเลยเห็นแค่ตัวไหมโอ้เห็นแค่ตัวจังเลยเอาใหม่ <laughs> ต้องเป็นผู้มีใจดีเนี <laughs> ย่ยแผ่เมตตาเยอะๆท้องนี้เชียวถึงเดือดร้อนกนันทุกวันเนี่ยก็เมตตาไม่เคยเกิดเี่ย เอาใหม่หนตั้งหลักใหม่ไวไหมรีบไปแผ่เสแม้บวชมาตั้งนานแล้วไม่เคยมีใครได้โมทนากุศลกัลบเราบ้างเลยนี่ยุ่งเมินเฉยกับบุ ค, คลนี่ยก็เรียกเป็นบุคคลที่ใจล้ายขาดน้ําใจแผ้เทวดาทั้งปวงนะเป็นผู้มีกรรมเป็นของตนสพัพเพมนุษยากรรมสามากรรมาหุนตีนิมนุษย์ทั้งปวงเป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนโอ้โหมนุษย์ทั้งหมดเลย มนุษย์ในอุตระกุรุทวีปปบเาวิเทหทวีปอ布拉โคยานทวีปปบพผาวิเทหทวีปแผไ่ไปเถอะที่มีมนุษย์ทั้งหลายแผ่ ไ, ไปแล้วก็สพเพวินิปาติกกรรมสกาขาขันตินี่พวกเินิปาติกาพวกอบายศัตว์ทั้งปวงเป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนรวมแล้วเนี่ยไม่เจอดจง5เจอดจงอีก7รวมเป็นเท่าไหร่เท่าไหร่12บบุคคลเนี่ยเอาแล้วแต่เนี่ย ทีนี้ในบรรดา12บุคคล น, นี่แหละแผ่ใน12บุคคลเนี่ยไปในทิศทั้ง10โอ้โหนี้ยิ่งใหญ่มากเลยทิศสาวรณาเนี่ยวิธีการแผ่เวขาไปในทิศนั้นก็คือเอาอนโนทิโสบุคคล5จําพวกกับโอทิโสบุคคลอีก7จําพวกรวมเป็น12จําพวกแล้วก็ไปตั้งไว้ในทิศทั้ง10แล้วก็แผ่เวขาไปในบุคคล12จําพวกที่อยู่ในทิศทั้ง10นั้นน่ย จึงเรียกว่าเป็นการแผ่โดยอาการภาวนาสิบอาการโดยบุคคล12บสองว า, ะะาพพระสเพปรัติมายะทิสายาสตตากรรมสกาหตุสัตว์ทั้งปวงในทิศบูรพาเป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนโอแผ่ไปแล้วนี่เอาประเภทแรกก่อนนะสเพปปัติมายะทิสายาสตตากรรมสกาหติสัตวทั้งปวงในทิศปัจจิม เป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนทิศปฏิเจมีทิศไหนเน้เนทิศตะวันตกเนนจำได้หมดไหมทิศเนี่ยจำได้หมดเลยเร่อปุรัติมายะนี่ทิศไหนทิศตะวันออกเมื่อกี้บอกปุรัตถิมายะสแปส สเพปุรัติมายะที่ายะสตากรรมศากขนตีสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงในทิศบุรพาเป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนนี่ที่ตะวันออกนะใช่ไหมใช่ไหมสเพปัชิมายะที่สายะสตตากรรมศากขนตีสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงในทิศปัจจิมเป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนปัจจิมคือทิศไหนตะวันตกสเพอุตรายะที่สายะ สัตตากรรมสกาวขนตุสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงในทิศอุดรเป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนอุดรคือทิศทิศเหนือสะเพทักคีนายะทิสายะสัตตากรรมสกาวขนติสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงในทิศทักศิลเป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนทักศิลคือทิศใต้จําไว้นีทิศบุรพา ทิศปัจจิมทิศปัจจิมทิศอุดรทิศ ท, ทักษิณอ่าต่อไปก็สัพเพภุรติมายะอนุทิสายาสตากรรมสกาวนติสัาาตว์ต่งหลายทั้งปวงในทิศอาคาเนเเป็นผู้มีกรรเป็นกองของตนทิศอาคาเนเทิศไหนห ทิศตะวันออกเฉียงเหนือฮะสัพเพปุรัติมายะอนุทิาาสายะสตาเห็นไหมขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงในทิศตะวันออกเฉียงเหนือจงพ้นจากทุกข์จะจงเป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนทิศตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ สเพปุรัติมายาณุทิศายาสตากรรมสกาวนติสัตตทั้งหลายทั้งปวงในทิศเออไม่ใช่สเพปัชมายาณุทิศายาสตากรรมสกาววนติสัตตทั้งหลายทั้งปวงในทิศพายัพเป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนทิศพายัพมีทิศไหนเขาเรียกทิศอะไรเอตะวันตกเฉียงใต้ทิศพายัพแล้วก็ สัพเพอุตรายานุทิสายาสตากรรมศกาิ์วติสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงในทิศอีสานจงเป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนอีสานคือทิศตะวันตกเฉียงเหนือฮะฮะตกนุธิสายะจงพ้นจาก สเปทักขนายานุทิสายัสตากรามสการหุนติสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงในทิศหรดียังเป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนหรดีทิศไหนเนี่ยนะเออตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็สเพเหติมายาทิสายัสตากรมสกาหุนติสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงในทิศเบื้องล่างจังเป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนไม่ยากเลยเียนี้แล้วก็สเ อุปริมายะที่สายะสัตตากรรมสกาวกุตติสัตว์ ท, ตทั้งหลายทั้งปวงในทิศเบื้องบนจงเป็นผู้มีกา ร, รเป็นของของตนนี่ได้ทิศเดียวเองอได้บุคคลเดียวเองสัตว์ทั้งหลายต่อไปก็แผ่อย่างเงี้ยไปในสิบทิศเนี่ยเมื่อกี้แผ่ไปให้สัตว์ทั้งหลายแล้วใช่ไหมสัเพสสัตส ต, ตาแล้วก็ต่อไปก็สัเพปานาสัตที่เนื่องแล้วก็ สเปภูตาแล้วก็สเปภุกราสัเพอัตาภาวะปริยปนาเนี่ในไม่เจาะจง5แล้วก็สภาอิทธิโยกรรมสกาโหติแผ่ไปในสตรีทั้งหลายบุตรแล้วก็สัเพปภุริสากรรมสกาเนี่ยแล้วก็สเพอะอริยาภริยาสเพอะนริยาปุรุชนสเพอะเทวาเทวดาสเพอะมนุษสากแผ่ไปในมนุษย์สเพอะวินิปาติกาให้กับวินิปาติกาคือพวกอ่าบยภูมิทั้งหลายเป็นต้นการแผ่ในลักษณะอย่างนี้จน เห็นไหมว่าจริงๆการที่จะแผ่ได้อย่างนี้กําลังสมาธิต้องดีแล้วคนที่ฝึกจนได้สมาธิระดับสูงก็แผ่ไปก็ยิ่งเพิ่มทําให้พลังของสมาธิมีอนุภาพมากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเข้าใจนะนี่เป็นอย่างนี้อาประการต่อไปแต่นเนี้ยสรุปแรกในเราบรรยายในเรื่องของเมตตากรุณ า, มาวเมตตาอเบขามาพอสมควรทีนี้มาวิเคราะห์อีกทีพรมวิหารและทำทำเครื่องอยู่อย่างประเสริฐเนี่ยสประการนี่นะเมตตาความรัก กรุณาความสงสารมุติตาความพรอยินดีเวียขาความวางใจเป็นกลางเป็นธรรมะฝ่ายกุศลทีนี้เมตตาเนี่ยได้แก่อะไรสภาวธรรมได้แก่อโทส์คือความไม่คิดประทุษร้ายอโกโทความไม่โกรธคนไม่โกรธเครืองอภิยาปาโทความไม่ปองร้ายนยีอันนี้เป็นสภาพขององค์ธรรมหรือสภาวธรรมของเมตตาเนาะ ฉะนั้นเมตตาก็คือความไม่คิดประทุษร้ายความไม่โกรธความไม่ขัดเคืองความไม่ปองร้ายความไม่พยาบาทสภาพจิตที่ไม่หงุดหงิดเกิดขึ้นอันนี้ก็คือสภาพของเมตตาก็ฝึกประการต่อมาคือกรุณาได้แก่อวิหิงสาความคิดไม่เบียดเบียนอันนี้เป็นกลุ่มของโทสาวเหมือนกันไม่คิดเบียดเบียนไม่คิดประทุษร้ายประการที่3มคือมุทิตาได้แก่ อนิสาความไม่อิจฉาความไม่ลิษยาความไม่มีใจลิษยาใครอุเบขาได้แก่มัชชตานะมัชชตาตานี่แหละความวางเฉยในเมื่อไม่มีเหตุที่ควรจะกระทําในพรมวิหารทั้งสี่มีเมตตากรุณาเมตตาเวขาเนี่ยมีความสําคัญมากสําหรับการดำเนินชีวิตของเราท่านทั้งหลายทั้งนักบวชและฆราวาสทั้งบรรพชิตและไม่ใช่บรรพชิต เพราะเป็นธรรมะที่พึงปฏิบัติพึงกระทาต่อกันในสังคมในบ้านเนี่ยในบ้านในวัดในโรงเรียนในสังคมในหน่วยงานทุกที่นะถ้าคนในวัดในบ้านในสังคมขาดพรมิหารความคิดประทุษร้ายความประสงร้ายความคิดเบียดเบียนต่อผู้ด้อยกว่าตนและความอิจฉาริษยาความลำเอียงความไม่ยุติธรรมก็จะปรากฏ และความชั่วร้ายก็จะปรากฏอยู่ในจิตใจมากขึ้นมากขึ้นเพราะความชั่วร้ายนี่สั่งสมหมักหมมในสภาพจิตใจมากขึ้นก็แสดงออกมาทางกายทางวาจาทางพฤติกรรมทางคำพูดและการแสดงออกก็ปฏิสไลาการเบียดเบียนการอิจฉาริษยาความลำเอียงความไม่ยุติธรรมเมื่อเป็นเช่นนี้ก็จะเกิดความเดือดร้อนเพราะการกระทําและคําพูดที่ชั่วร้ายของตนเองทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นหรือแม้ว่าจะไม่แสดงออกมาทางกายวาจาก็จะมีความเดือดร้อนเพราะอากุศลเนี่ย มันเผาร้นอยู่ในจิตใจของตัวเองนี่แหละผู้คนที่อยู่ในสังคมเช่นนี้ก็มีแต่ความเดือดร้อนมีแต่ความวุ่นวายแล้วถ้าแสดงออกมาข้างนอกก็เบียดเบียนกันทำลายกันเป็นต้นหาความสุขความสงบเล็กน้อยเลยยากฉะนั้นการประทุษร้ายเนี่ยเป็นการก่อความทุกข์ให้เกิดขึ้นกับเพื่อนร่วมทุกข์เพิ่มขึ้นอีกจากความทุกข์ซึ่งเขาได้รับอยู่เป็นปกติธรรมดาอยู่แล้วใช่ไหมปกติเนี่ยมนุษย์ก็ได้รับความทุกข์ เป็นธรรมดาจากการเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความเจ็บไข้ก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์ความโศกความล่าไรําพันเนี่ยมันก็เป็นทุกข์อยู่แล้วถ้าไปเพิ่มเติมอกุศลเหล่านี้เข้าไปอีกโอ้โหเบียดเบียนกันอีกก็ซ้ําเติมความทุกข์ให้กับสังคมสภาพสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเนี่ยการขาดพรมวิหารมันเป็นโทษมากทีนี้อั น, นิี่สองในเรื่องการเจริญพรมวิหารตนเองต้องเป็นผู้มีปัญญานี ถ้าปัญญาน้อยจเจริญไม่ถูกต้องไม่สมบูรณ์ย่อมไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ในทางตนงกานข้ามเนะเกิดเป็นโทษด้วยโทษของการขาดพรหมวิหารเนี่ยในคำสอนพุทธเจ้ากล่าวบอกว่าโทษนั้นเกิดจากการบาเพ็ญพรหมวิหารไม่ถูกต้องไม่สมบูรณ์โทษที่เกิดแก่ตนเองและสังคมโทษที่ปรากฏในปัจจุบันเนี่ยในคำสอนในวัไตรวิตกท่านแสดงไว้มากมายนะบุคคลที่ ไม่บาเพ็ญพรหมวิหารแล้วตนเองก็ได้รับโทษได้รับความเดือดร้อนมากมายทั้งในปัจจุบันนพบและสัมปรายยพเออถ้ามองอย่างนี้ก็ได้เห็นว่าเ อ, อโทษของการขาดพรหมวิหารเนี่ยม่เกิดก่อเกิดความเสียหายมากมายเนี่ยยกตัวอย่างเช่นเมตตาเนี่ยคือความรากักความปรารถนาดีให้คนอื่นความเป็นสุขน่ความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตดังนั้นถ้าขาด ถ้าไม่มีเมตตานีก็หมายถึงการทำคำพูดและการคิดเนี่ยก็นึกคิดไม่ได้เป็นไปเพื่อความสุขความเจริญของตอนเองและของบุคคลอื่นแล้วแต่กลับเป็นไปในทางตนกันข้าวก็คือกระทำสิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดความเดือดร้อนความเสียหายเลยลักษณะของเรื่องปุพกรรมอ่อยกตัวอย่างนะขาดเมตตาเนี่เป็นในอดีตชาติของพระสิวลีเนี่ยพระศิวลี แต่ตอนนี้ท่านปรินิพพานแล้วนะท่านไม่เดือดร้อนแล้วนี่ยกมาเป็นตัวอย่างอดีตชาติของท่านพระศิวลีท่านเกิดในราชตระกูลตอนนั้นพระบิดาในสวรรคตก็เลยได้เป็นพระราชาก็เลยดาริว่าพอท่านได้เป็นพระราชาท่านก็ดาริบว่าอยากจะยึดเอาเมืองเมืองนะครหนึ่งอะว่าอยากจะยึดเมืองเนี้มาเป็นของตัวเองก็เลยส่งกองกําลังทหารไปล้อมไว้เลย เจปีเจดเดือนนะ่ะและว้วพ่วงใน้เจ็ดวันด้วยนะขนาดนั้นเนะี่ยล้อมเขาไว้ตอนนั้นแม่แม่ทราบเรื่องราวก็รับสั่งบอกเอ๊ะทําไมจึงจัดการไม่ได้ทีเข้าใจนะแม่ก็รุ้นตลอดว่าทําไมลูกจัดการแกัเมืองนี้ไม่ได้ไปปิดทิท่าไหนายทําไมชาวเมืองนี้จึงสามารถเป็นอยู่ได้โดยไม่อดอยาก เรอยอยู่ด้วยกันเล่นแกล้งแค้นพอสมควนแต่ไม่อดไม่ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ยอมจำนวนบอกว่มีช่องเล็กออกจากเขาอะ่ะคือเขาสามารถออกจากเขานั้นแล้วไปหาอาหารเข้ามาหล่อเลี้ยงในเมืองเขาได้ตลอดก็เลยล้อมก็ล้อมไปก็กองกําลังก็ยึดกันอยู่นั่นแหละพอแม่เห็นอย่างนั้นแม่ก็เลยบอกว่าให้ปิดประตูเล็กด่อยให้หาเอาประตูไอประตูลอดเล็กๆที่จะมาหาก็ปิดประตูเล็กด้วย ชาวเมืองไม่สามารถออกไปนอกเมืองได้ในวันที่เจ็ดก็เลยได้ปรงพระชนของพระราช้างตัวเองเลยนะแล้วก็ได้ยกราชสมบัติถวายทรงทากรรมนี้แล้วเนี่ยจากกรรมที่ตัวเองทาเนี่ยท่านพระสิวลีทำกรรมประเภทนี้หลังจากสวรรคตรแล้วเนี่ยท่านไปเกิดในเวจีในกรรมที่ท่านทาเป็นเวลาช้านี่นะ ท่านไปเกิดในเวจีโอ้ยออกจากกวัวจะออกจากเวจีได้แทบแย่ั้ยต่อมาในในอัฐภาพนี้ท่านก็เลยมาเกิดในท้องของมารดานางสุ ป, ปวาสาเนี่ยท่านจึงด้วยกรรมที่ตนเองเคยไปล้อมเขาอยู่นนเศษกรรมนะครับในเศษกรรมทนการขาดเมตตาเนี่ยนะท่านต้องไปอยู่ในท้องของแม่เนะี่ยปี รากยาวอีกเจ็ดเดือนและพ่วงอีกเจ็ดวันเนี่ยหนึ่งพระราชาขาดเมตตาคือความปราถนาให้คนอื่นมีสุขต้าการไปยึดเมืองเขาแล้วก็ล้อมนี่เห็นโทนีอยังส่วนแม่ร่วมทำกรรมชั่วกับลูกร่วมทำกรรมชั่วกับลูกก็ได้รับความลำบาก แม้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็ต้องทุกข์ทรมานจากการที่ลูกต้องมาอยู่ในท้องไม่คลอดสัทีจนส่งสารไปถึงพระพุทธเจ้าว่ากั้นเถอะให้สามีไปฟ้อพระพุทธเจ้ามาตนเองทุกข์มากมีภาสิท์บอกว่ายาที่สังวัตรประเทปีชังตาที่สั่งและประเทพรังกัลยานาการี ก, ราาการัลยานางภาปากาลีเจปาปังบุคคลหวานพืชเช่นไรย่อมได้รับผลเช่นนั้น บุคคลทำกรรมดีก็ได้รับกรรมผลดีทำกรรมชั่วก็ได้รับผลชั่วเนี่ยนะนี่มองเห็นไหมนี่โทษของการขาดอะไรขาดเมตตาเอาโทษอะไรอีกทนี้เอาคารุณากรุณาเนี่ยมีสภาพสงสารต่อสัตว์ ผู้ได้รับความทุกข์อันนี้เล่าแบบย่อๆเนี่ยไม่เจาะรายละเอียดผู้ที่ด้อยกว่าเมื่อพบเห็นผู้ประสบความเดือดร้อนแล้วก็มีใจไม่มีใจคิดช่วยเหลือแต่ถ้ากรุณาเนี่ยมีใจคิดช่วยเหลือให้เขาพ้นจากความทุกข์ความทุกข์ยากความลําบากดังนั้นสภาพการขาดกรุณาก็คือพบเห็นคนที่เดือดร้อนไม่มีจิตคิดสงสารช่วยเหลือให้รอดพ้นจากความเดือดร้อนนั้นในทางตรงกันข้าม เลยเอาภาวะความเดือดร้อนของมนุษย์เนี่ยเอาเป็นประโยชน์ตัวเองซะเลยเอาบางคนเนี่ยโอ้โหจริงตอนเนี้ยสมมตุติบางช่วงเนี่ยภาวะเศรษฐกิจไม่ดีคนเดือดร้อนตอนนัวเองมีเงินเน่ยปล่อยเงินกู้เลยสมมติเนี่ยปล่อยเลยเนี่ยเอาดอกแพงๆก็ได้ใช่ไหมทำให้คนเดือดร้อนตั้งนั้นแหละแทนที่จะกรุณาเขาก็เอาและจังหวะอย่างงี้แหละเป็นจังหวะที่ดีที่สุดแล้วอย่างงี้เป็นต้นเอาเปรียบ ตายแล้วก็ได้รับโทษทีนี้ในมีเรื่องหนึ่งเขาเรียกว่าเรื่องของโ ก, โกตุฮาริกะที่ฆ่าลูกน้อยเนี่ยในยามที่เกิดทุพิกภัพเนี่ยนายโกตุฮาริกะเนี่ยพร้อมด้วยภรรยามีลูกน้อยก็ได้จัดเตรียมสบียงเพื่อเดินทางหนีภัยไปที่เมืองโกสมพีคนทั้งสองเหนื่อยล้ามากในระหว่างทางเนี่ย สามีรู้ว่าลูกในหลับพอลูกว่าหลับก็เลยแกล้งเดินตามหลังภรรยาแล้วก็วางลูกน้อยไว้บนใบไม้ไอ้ใต้ล่มไม้แห่งหนึ่งแล้วก็เดินตามหลังภรรยาไปวางไว้ไมัเหนื่อยจัด่ไหทิ้งเนี้ยทิ้งซะเลยขาดลไม่ไหวแล้วทีนี้ภรรยาไม่เห็นลูกก็ต่อว่าเขาแล้วก็บอกให้เขาไปหาลูกน้อย พ่าวิ่งพอกลับมาแล้วเป็นไงตายไงลูกก็ตายมันร้อนตายไงเด็กไงเด็กก็วางไว้กับที่ร้อนไม่ตายก็ตายสิเนี่ยได้ผลกรรมเนี่ยที่ไปทิ้งเขาเนี่ยต่อมาเนี่ยนะีได้ผลกรรมนายโกตูไฮกาเนี่ยพอมาเกิดมาเนี่ยสรุปก็คือเขาถูกทิ้ง เ, เกิดมาก็ถูกทิ้งถึง7ครั้งในพบหนึ่งพบแต่ละพบเนี่ยถูกทิ้งถึง7ดครั้ง สรุปว่าสามีภรรยาเดินทางไกลได้ลำบากลูกน้อยก็เกิดลำบากนายโกตุหาริกาแทนที่จะสงสารกับเนี่ยทิ้งเสเยแต่ต่อมาอกรรมที่ขาดการโทษการขาดกรุณาเนี่ยแท้จริงเนี่ยหน้าที่ของมาดาบิดาใช่ไหมหนึ่งบิดามดาย่อมป้องกันบุตรใช่ไหม ให้บุตรดำเนินชีวิต ท, ที่ถูกต้องให้การศึกษาโดยความสะดวกเ้น ต, ต้นเนี่ยมอบสมบัติให้แต่ไม่ได้ทำหน้าที่เนี่ยการไปทิ้งลูกเองเนเองเนี่ ย, ยโทษการขาดอะไรขาดการุณามีเยอะตัวอย่างในพุทธการเนี่ยนยอะอภิการต่อมาคือโทษการขาดมุทิตาเนี่ยขาดมุทิตามุทิตาก็แปลว่าอะไร ภาวะที่ยินดีความพอใจต่อทรัพย์สมบัติและคุณความดีหรือความสําเร็จของคนอื่นก็คือมุทิตาเนี่ยทำลายลิษยาจะถ้าขาดมุทิตาก็จะมีจิตลิษยาความเดือดร้อนกายความไม่สบายใจทั้งหลายเกิดขึ้นโลกสังคมทุกวันเนี่ยที่ขัดแย้งกันทะเลาะ ก, กันกน็เพราะไอ้ตัวนี่ลิษยานี่แหละเพราะว่ามนุษย์เนี่ยยินดีต่อกันไม่ได้เราะั้นเด้อ แทนที่จะยินดีต่อกรารพลอยยินดีต่อการแต่ก็ขาดไอตัวมุทิตานี่แหละในที่สุดจริงก็ขัดแยง้งในเรื่องที่ขาดมุทิตาเห็นได้ชัดเลยนะก็คือเรื่องเทวดากับท่านนาถาปิณิกาเศรษฐีนาถาปิณิกาเศรษฐีเนี่ยสร้างวิหารเชตวันนะบริจาคทานในพุทธศาสนาอย่างนึงนิดทรัพย์สินเนี่ยหมดสิ้นไปอย่างเป็นไปตามลำดับให้ทานอย่างต่อเนื่อง ให้ทานอย่างชนิดที่ไม่เสียดายเลยนะมีทรับก็ให้ให้ให้อย่างติดต่อและต่อเนื่องทําไมถึงเป็นอย่างนั้นทําไมใครจึงไม่สามารถยับยั้งการให้ทานของอนาถาพินิการเศรษฐีได้ก็เพราะว่าท่านเห็นประโยชน์เห็นคุณท่านรู้ว่าซับเนี่ยเออม็นอย่างนี้ใช่หมหนึ่งการสแสวงหาทรัพย์โดยชอบทำได้มาแล้วทํำไงต่อ เ, ออเรื่งตัวเองให้เป็นสุขบุตรหลานญาติมิตรเป็นต้นี่เป็นสุกใช่ไหมแล้วอะไรต่อใช้ทรัพย์นั้นทำความดีใช่ไหมการเก็บทรัพย์ก็เป็นความเสียหายในทางพุทศาสนาด้วยนะเอเสียหายยังไงเออเป็นการไม่ก่อให้เกิดประโยชน์เลยการใช้ทรัพย์เนี่ยนะใ น, นหลักการก็เลยถ้าหลักการวุทธศาสนาะสอนไง ได้ทราบมาแล้วก็แบ่งเป็น4ส่วนนะเก็บหนึ่งส่วนลงทุนสองส่วนเก็บไว้เป็นหลักประกันชีวิตอีกหนึ่งส่วนเขาะยังเก็บ25เปอร์เซ็นต์ลงทุนห้าเปอร์เซ็นต์เออไม่ใช่ใช้สอย25เปอร์เซ็นต์ลงทุน50เปอร์เซ็นต์เก็บไว้เป็นทุนประกันชีวิตอีก25ิหเปอร์เซ็นต์หลักการนี่ผู้เจ้าสอนไว้อย่างนี้ ทีนี้ในหลักการอนาคตพิณิกาเศรษฐีเนี่ยพอท่านให้ทานไปตามลําดับทรัพย์สินของท่านน่ะก็หมดสิ้นไปตามลําดับถึงกันนั้นก็ยังคงบริจาคทานเสมอจนเทวดาที่สิงอยู่ในซสมประตูห้ามเพื่อให้หยุดการบริจาคใช่ไหมทีแรกไม่กล้าหรอกไปบอกแกไปบอกแกคนใช้เลขาของเศรษฐีเลขาของเศรษฐีก็บอกว่าอุ้ยอย่าว่าจะไปห้ามเลยเศรษฐีเอาตนเองไป ไปเป็นลูกจ้างใครที่ไหนก็ยังยอมเลยเป็นคนเชื่อมั่นในใ น, ใ น, ใ, นในเจ้านายตัวเองเทวดาเห็นว่าไม่ได้ผลแล้วก็เลยไปเองเลยไปถึงก็แปลงตอนก็ไปทักท้วงเศรษฐีถามบอกว่าท่านเศรษฐีท่านทําบุญเกินก่อเหตุทําบุญจนลําบากทําบุญจนยากจนทําบุญจนว่าซับร้อยหลอทําบุญแบบขาดสติเศรษฐีถามว่านี่ใครเทวดา ท่านอยู่ตรงไหนบอกอยู่สุมประตูของท่านเนี่ยท่านว่าอะไรนะท่านทำบุญเกินเหตุไม่ฉลาดขาดสติทำจนหมดเนื้อหมดตัวทำจนลำบากตอนนี้ก็ลำบากบริวารก็เริ่มลำบากเศรษฐีก็ถางว่าท่านว่าอะไรนะก็พูดสามครั้งพอครั้งที่สามปุ๊บท่านก็นชี้เลยบอกออกจากบ้านหลังนี้ไปเดี๋ยวนี้ <c oughs> ไล่เทวดา พอเจ้าของบ้านไล่เทวดาอยู่ได้ไหมอยู่ไม่ได้ด้วยอนุภาพของเจ้าของเนี่ยเรียบร้อยเลยได้รับความลำบากมากโอ้โหแต่นี้ยุ่งแล้วเฝ้าเทวดาเข้าไปเฝ้าเทวดาถ้าเฝ้าเท้าส ก, กาเท้าสา ก, กาช่วยไม่ได้ปใหญ่เลยแตนี้ในที่สุดจริงๆก็เท้าสา ก, กาเลยออกอุบายบอกว่าให้ไปรวบรวมทรัพย์สมบัติ ที่มีคนโกงท่านเศรษฐีไปเอากลับคืนแล้วก็ให้ไปขอกับมาเศรษฐีเทวดาก็ทาตามบายเท้าสกะแล้วก็ไปขอกับมาแล้วก็เศรษฐีก็พาไปเฝ้าพระเจ้าเนี่ยเทวดาตัว น, นี้ขาดอะไรขาดมุทิตาพังอย่างเงี้ยเขาทําดียังเป็นตำหนิเขาแล้วไปเอาความไปเข้าใจว่าตัวเองฉลาดไง ว่าออเออนี่ยเขาทำดีแล้วเขาจนลงจนลงเนี่ยอุ้ยงี่โง่กว่านั้นนะไปนึกอย่างเงี้ยไม่เข้าใจกระบวนการของกุศลไม่เข้าใจกระบวนการของเหตุปัจจัยไม่เข้าใจเรื่องเหตุเรื่องผลไม่เข้าใจอัธยาศัยที่เขาสั่งสมมาไม่เข้าใจาเขาเป็นพระโสดาบันไม่เข้าใจว่าผลภพต่อไปเนี่ยตั้งตอนนี้ท่านเศรษฐีท่านอยู่ในดุสิต ท, ท่านไม่ได้เดือดร้อนอะไรเลยเรื่องทรัพย์เป็นของภายนอก ท่านมีวิธีการในการจัดการในการบริหารในการดูแลอยู่แล้วความชาญฉลาดของท่านถึงทรับจะหมดไปแต่ความสุขในใจท่านไม่ได้หมดเข้าใจใช่ไหมท่านสามารถที่เจริญกุศลได้อย่างติดต่อและต่อเนื่องเพราะชีวิตเนี่ยมันก็มีความตายเป็นที่สุดแต่ว่าในอัถภาพถัดไปเนี่ยท่านได้ดีกว่าเดิมเยอะเขามองเห็นเหตุมองเห็นผลจนชัดเจนแด่เทวดาเนี่ยตนหนีทั้งทั้งที่ไม่ใช่ทรัพย์ของตนเองเนี่ยแค่ไปอาศัยอยู่ในบ้านนั้นก็ทึกทักแล้วนะเขาก็ไปยึดมั่นถือมั่นเหมือนเป็นของของตนเองเนี่ย แล้วก็เครียดแล้วก็กุ้มเลเห็นเขาทำบุญเนี่ยนยก็เกิดลิสยาขึ้นมาไม่พอใจแถมมีจิตไม่พอใจพุทธเจ้าด้วยสาวกพุทธเจ้าด้วยหุ้ไปกันใหญ่เลยอเนี้ยมอง ว, ว่าพวกนี้ไม่ทำอะไรเนี่ยโอ้เห็นไหมกระบวนการความคิดแย่เลยเนี่ยนี่เป็นอย่างนี้อภิการต่อไปก็คือเดยวจะหมดเวลาแะก่อนโทษเรองการขาดอเอขามีสภาพเป็นกลางในสัตว์ทั้งหลายใช่ไหมอเอวขาเนี่ย การวางเฉยไม่ยินดีไม่ยินร้ายพิจารณาวัตสัตว์ทั้งหลายทุกตนเนี่ยมีกรรมเป็นของของตนเขาทำกรรมใดไว้ดีหรือชั่วก็จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมไม่ว่ากรรมนั้นจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วเนี่ยการที่ผู้ใดผู้หนึ่งหรือผู้อื่นได้รับได้ดีมีความสุขไม่ใช่เป็นวิสัยที่จะทำได้เป็นหลักธรรมที่พิจารณาต่อจากเมตเม ต, าามตาเมตตากรุณามตตานก็หมายความบอกว่าเออเนี่ยความที่เขา สัตว์ทั้งหลายได้รับผลของการกระทําทั้งหลายเหล่านี้ก็เป็นเกิดจากกรรมที่เขาทําที่การขาดอุเบกขาก็คือการวางตนไม่เป็นกลางการยินดียินร้ายไปกับผู้อื่นในสถานที่ที่ไม่สมควรบุคคลใดก็ตามหากขาดอุเบกขาเนี่ยเขาก็จะยินดีหรือยินร้ายไปกับการกระทําดีกระทําร้ายกับบุคคลอื่นวุ่นวายไปกับเขาทุกเรื่องใจก็ไม่สงบเป็นเหตุให้ตนเองพกพานและเดือดร้อนสภาพจิตใจก็เป็นทุกข์ บัณฑิตก็ตีเตียนใช่ั้ยเขตความว่าไม่ปล่อยวางปล่อยวางไม่เป็นนั่นเองเดือดร้อนในทุกฐานนะเรื่องนี้คือเรื่องเรื่องประกอบเรื่องนี้คือนางปตาจราเนี่ยเป็นธิดาของมหาเศรษฐีเป็นหญิงสวยงามมากต่อมาก็ไปเกิดได้เสียกับคนใช้แล้วก็พากันหนีไปอยู่ชนบท ที่เคยรู้เรื่องนี้กันตอลอดก็คือว่าต่อมาก็มีลูกเนี่ยแล้วก็คนที่1นึ่พอตั้งท้องคนที่2ก็จะเดินทางกลับมาบ้านเนี่ยพอเดินทางกลับมาเนี่ยต่อมาสามีก็มาตายลูกชายทั้ง2ก็ตายพ่อแม่พี่ชายก็ตายเนี่ยต่อมาก็เสียสติเดินร้องไห้คนทั้งหลายก็เข้าใจว่านางเนี่ยเป็นบ้า ก็เอาอยากเยื่อบางเอาฝุ่นบ้างปลปรยลงบนศีรษะขว้างไปบ้างเนี่ยต่อมาพระศ า, าสดาก็โปรดให้นางกลับหายจกากความเป็นบ้ามีสติกลับมาเนี่ยแล้วก็บวชก็คือสาเหตุที่นางเป็นบ้าเพราะเพราะอะไรวางใจไม่ได้คนที่พิจารณาเรื่องกรรมและผลของกรรมไม่ได้เนี่ยถ้าสูญเสียมากๆบ้าทุกคนนะ บ้าทุกคนเลยเพราะไม่ได้พิจารณากรรมพิจารณาผลของกรรมไม่พิจารณาเหตุไม่พิจราจรณาผลเวลากระทาอะไรก็ไม่ชาญฉลาดอย่างยกตัวอย่างนะบางคนเครียดมากอสมมตินะเราไม่พิจรารณาเหมือนสมมติว่าไปกินอาหารเนี่ยก็ไม่สนใจกินตามใจปากอยากทํากรรมผิดพลาด กินอาหารไม่ถูกกินอาหารย่อยยากกินอาหารที่เป็นแสลงต่อโรคก็กินเงี้ยไอกรรมที่ตนเองทอําำแล้วอยู่ต่อมาตนเองป่วยมีโรคเยอะวางใจไม่ได้คนที่เป็นพ่อคนที่เป็นลูกคนเป็นปู่ตา ย, ายายายก็เหมือนกันเพราะเห็นอาการกิริยาป่วยก็โอ้ยวางใจไม่เป็นลืมดูไปว่ากรรมคือแม่ทําพ่อทํา กรรมคือปู่ตายายายทําจากการใช้ชีวิตไม่ถูกกินอาหารไม่ถูกใช้ยาบทไม่ถูกอะไรเยอะแยะไปหมดในรายละยเอียดนทั้งปัจจุบันกรรมและรวมกับอดีตกรรมเข้าอีกพอวางใจไม่ได้ก็สูญเสียแล้วก็ไม่ฉลาดในการพิจารณาเหตุและผลกรรมและผลของกรรมก็บ้าหลายๆคนเนี่ยเวลาประสบวิบัติในชีวิตเนี่ยเราจะเห็นเนะี่ยบางคนทาใจไม่ได้เลยเนี่ยเช่นสามีหนีไป หรือเกิดความวิบัติทั้งหลายเลยเหมือนนางประตาจราทีแรกเห็นสังเกต ด, ดูไหมสามีตายที่ป่าเปี่ยวเห็นไหมลูกคนน้อยคนเล็กก็ถูกเหี่ยวเฉียวไปลูกคนโตก็ตกน้ําตายพ่อแม่พี่ชายก็ถูกเผาในเชิงแต่ก่อนหมดแล้วไม่มีอะไรแล้วเพราะขาดการมีปัญญาเป็นพิจารณาเรื่องกรรมและผลของกรรมก็บ้าเลยทีนี้แต่อาศัยนะ พุทธานุวัตพุทธาวาตอาศัย พ, พุทธคุณของพุทธิย่าเนี่ยพระเจ้าบอกดูก่อนนางปตาจลาแตถาคตบวมเพนบารมีมา20ประสงค์ไขยยิ่งด้วยแสนมหากัรก็เพื่อเธอนี่ยแหละนิ่งได้สติกลับมาไงถึงร้องไห้ขอเฝ้าพระเจ้าเข้ามากราบพระบาทพระเจ้าพระเจ้าก็ได้สึกกั บ, กบได้สติฟื้นกลับมาแล้วก็บรรลุธรรมนะเนี่ยได้บรรลุธรรมได้ฉะนั้น โทษของการขาดอุเบกขาเนี่ยก็จะเป็นคนที่เดี๋ยวก็จิตก็ฟูแปบฟูแปบอยู่่ะวันวันนะขาดปัญญาในการพิจารณาเหตุและผลเ่านตรงนี้ก็อันนี้คือโทษการขาดเมตตาเป็นไงกรุณาเป็นไงมุติตาเป็นไงอุเบกขาเป็นไงในชีวิตจริงอันนี้ต้องเอาไปเจาะวิจัยแยกแยะให้ชัดเดี๋ยวตอนภาคบ่ายก็มาศึกษาเรื่องคุณ คุณของการมีเมตตากรุณามุติตาประโยชน์นี่นะจะเกิดขึ้นยังไงนังว่ากันอีกทีอันนี้สมควรแก่เวลาหรือยังใครอยถามอะไรไหมย้ยอมถามอะไรั้ยไม่ถามเลยนะมโมทนารั